การอืนน่นก็ต้องบอกพวกเราว่าต้องขอบคุณคุณหมอคงศักดิ์เป็นคนที่กล้าหาญเป็นนิมนต์หลวงพ่อเป็นคนแรกเลยความจริงกันหน้านั้นก็มีนิมนต์บ้างนะคุณหมอคงศักดิ์เนี่ยจริงจังในการไปนิมนต์หลวงพ่อรับนิมนต์แล้วรัฐอื่นๆก็เลยเอาบ้างนะนะที่จริงควรจะมาเทศที่นี่เป็นที่แรก แค่เป็นทริปนี้มระเทศที่นี่เป็นที่สุดท้ายแต่ว่าธรรมะนั้นไม่มีเก่าไ ม, ไม่มีใหม่อะไรหรอกเทศเมื่อไหร่ก็ธรรมะเหมือนเดิมธรรมะของพระพุทธเจ้านั้เป็นของอัศจรรย์หลวงพ่ไม่รู้จะใช้คําเปรียบเทียบว่าอะไรเลยใช้คําว่าอัศจรรย์มากเลยแต่เดิมไม่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้านะ ชีวิตเราไม่มีทิศทางเราก็มีชีวิตยอย่างธรรมดาธรรมดาทําความดีไปอะไรไปอยู่กับโลกไปทำมาหากินไปถือบวชก็บวชไปตามธ ร, รมเนียมต้องศึกษาเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วพบความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในตัวเองพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยว่าพวกเราอย่านึกว่าพวกเราไม่มีพระาศาสดาแล้วธรรมวินยัย ที่ท่านถ่ายทอดไว้ในะเป็นศาสดาแทนท่านถ้าเราเข้าใจของแท้ในพระธรรมเราก็จะรู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระสงฆ์ไปด้วยจะเข้าใจธรรมานเดียวจิตของเราซึ่งเป็นจิตปุถุชนกลับกลอกเนี่ยก็จะกลายเป็นจิตของพระสงฆ์ไปวันใดที่จิตของเราเป็นพระสงฆ์เราจะเป็นเราจะรู้สึกเลยว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนเลย ยิ่งถ้าภาวนาจนถึงขีดสุดจริงๆจะรู้เลยว่าจิตกับพระพุทธเจ้าน่ะจิตกับพระธรรมจิตกับพระสงฆ์นั้นเป็นอันเดียวกันทั้งหมดเลยเหมือนกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นนั้นเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อภาวนาก็รู้สึกธรรมะเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ลึกลับอยู่ไกลแต่ต้องสร้างบารมีเยอะเลยกว่าจะถึง เราจะเข้าใจธรรมะถ้าพยายามนั่งสมาธิถ้าแต่เด็กนั่งสมาธิทุกวันแต่เจ็ดขวบนั่งทุกวันไม่มีเลิกหรอกถึงจะไปเล่นไปสนแบบเด็กนะแต่ถึงเวลาก็ต้องแอบมานั่งไปโรงเรียนกลางวันเคยอยู่โรงเรียนวัดกลางวันเพื่อนไปวิ่งเล่นเราแอบเข้าไปในโบสถ์โบสถ์ก็จะพังมิพังแหล่นะ เข้าไปการาบชาปทานเอามือไปจับเข่าท่านนะเข่าท่านเปื่อยเลยเป็นปูนเก่าๆนะยุ่ยไปหมดเลยเข้ไปนั่งสมาธิในใจก็นึกศาสนาพุคงหมดไปแล้วล่ะพระพุทธเจ้าก็เปื่อยไปแล้วนะพระธรรมอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พระสงเห็นเดินไปเดินมาใจก็รู้สึกไม่ใช่อะ่ะก็เป็นคนธรรมดาไม่เห็นมีอะไรแตกต่าง่างคนธรรมดาเลย เพทธประทำประสงค์คงไม่เหลือแล้วมั่งใจคิดอย่างนี้แต่ก็ยังนั่งสมาธินั่งทุกวันไม่เลิกหรอกแล้วใจมันเคยชินกับการปฏิบัติมันก็จะต้องปฏิบัตินั่งสมาธิอยู่ยี่สิบสองปีมีแต่ของเล่นไม่มีของจริงเลยหวังอยู่ตลอดนะว่านั่งสมาธิไปเรื่อยวันหนึ่งจะปิ้งขึ้นมาบรรลุอะไรต่ออะไร้นทุกอะไรเงี้ย ในใจไม่คิดถึงขนาดว่าจะนิพพานนะคิดว่ามันต้องนั่งงานหนึ่งจะได้เข้าใจธรรมะอนะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจสักทีผ่านไปยปี่สิบสองีเจอหลวงปู่ดูลก่อนหน้านั้นก็เคยได้ยินคำสอนครูบาอาจารย์โอื่นๆใส่ใจมันไม่ลงให้หนึ่งได้ยินท่านสอนเรื่องพุโทโธพิจารณากายไปลองมาพิจารนกายดูนั่งสมาธิแล้วดูไป ทิพเส้นผมเนี่ยเส้นผมก็สลายตัวไป เ, เห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะสลายไปเห็นหัวกะโหลกเนี่ยดูหัวกะโหลกนะเห็นหัวกะโหลกสลายตัวไปเห็นตัวทั้งตัวดูทั้งตัวนะเห็นกระดูกทั้งตัวเลยตอนนี้ดูลงไปอีกกระดูกระเบิดแตกเป็นชิ้นเล็กๆเป็นแก้วเล็กๆเป็นก้อนกรวดเล็กๆลงไปที่พื้น ตามดูลงไปอีกสลายตัวไปเป็นแสงสว่างเลยรู้อย่างหนึ่งว่าวัตถุถทั้งหลายเนี่ยถ้าสลายตัวไปถึงขิดสุดนะเป็นคลื่ น, ท น, นเท่านั้นเองเป็นคลื่นของพลังงานเท่านั้นเองเป็นคลื่นแสงคลื่นอะไรอย่างเงี้ยสลายตัวออกไปแต่ไม่ไม่รู้เลยว่ามันจะพ้นทุกอย่างยังไงมันมันไม่ได้มีสติปัญญาทำํำวิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิแล้วก็เห็นนิมิตบ้างอะไรบ้าง หรือมาดูร่างกายจะระเบิดไปก็ยไม่เห็นมันจะบรรลุอะไรได้แต่ก็อดทนนะทำมาเรื่อยด้วยความเคยชินไม่ทำไม่ได้มันเคยชินที่จะต้องทำส่วนมาปีสองพันห้ารอยยี่สิบห้าถึงมีโอกาสไปเจอหลวงปู่ดุลก่อนไปเจอท่านนะได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือสักเครื่องของหลวงปู่แหวน ตอนนั้นอุตส่ามีไปเช่าเหรียญหลวงปู่วแหวนมาเหรียญหนึงนะเห็นเพื่อนก็เล่นกันก็ไปเอามาบ้างมัมีเหรียญเดียวนั้นก็ต้องไปซื้อทำเนียบรุ่นมารู้ซื้อมาทําไมมีวันเดียว <c oughs> <c oughs> ในหนังสือทำเนียบรุ่นของวัดสัมพันธวงศ์ก็าพิมพ์เขาเหลือเศษกระดาษอยู่หน่อยหนึ่งเ้าไปเอาธรรมของหลวงปู่ดุลมาลงไว้บอกว่าจิตที่ส่งออกนอกจะเป็นสมุไทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุก จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธมีเหตุกับผลเหตุ ก, ก็คือจิตออกนอกก็มีผลเป็นทุกข์เหตุก็กคือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งมีผลเป็นความนทุกข์เป็นเหตุกับผลอ่านถึงเท่านี้นะมันสะเทือนเข้าถึงใจนะแล้วคิดมามาโ่าถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ทุกข์อยู่ที่จิตนี่เองนะแต่ไม่รู้จักนะว่า เขาหลงชื่อว่าพระรัตานากรวิสุทธ์ไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนเชื่อไปถามถามคนนะถามอยู่หลายเดือนนะเลยรู้ว่านี่ชื่อหลวงปู่ดุลก็เป็นอาจารย์หลวงปู่ฟัน่นคงจะสิ้นไปแล้วละ่ะหลวงปู่ฟั่นยังสิ้นไปแล้วเลยเนี่ยหลวงปู่ดุลจะอยู่ได้ยังไงอยู่มาอีกนะจนถึงต้นปีสองห้านะคนถึงมาบอกว่าท่านยังอยู่เมืองสุรินทร์ข้าหารถไฟไปหาท่านไปกราบท่านตอนเช้าเก้ามงนี่แหละ ท่านฉันข้าวอยู่พระก็บอกว่าให้เข้าไปกราบตอนฉันนี่แหละเราก็กกลัวพระนะเมื่อเคยรู้จักท่านนะดุหรือเปล่าก็ไม่รู้เคยได้ยินแต่ว่าพระกรรมาฐานบางองค์ดุนะจะทําอะไรไม่ถูกใจเอากระโถนกว้างเขาลือกันอย่างนั้นความจริงไม่มีหรอกท่านเสียดายของแล้วไม่เอาของไปกว้างใครหรอกเขะรีรีรอร อ, อยู่นะจนท่านฉันเข้าเสร็จนะท่านเห็นเราไม่เข้าไปหาท่านแนละ้วท่านเลยออกมาเองนะเดินออกมาที่ระเบียง คุติท่านมาชงโงกมองอุตส่าห์นี้ไปหลบอยู่อีกตึกหนึ่งนะกลัวท่านมากเลยเพราที่พวกเรากลัวหลวงพ่อเนี่ยเรื่องปกติหลวงพ่อก็กลัวอาจารย์มาก่อนนื่พอท่านมาชงโงกก็เลยเข้าไปกราบท่านหลวงปู่รับผมอยากปฏิบัติท่านบอกเลยว่าท่านไม่พูดไรเลยนะดีแล้วผมบอกท่านว่าอยากปฏิบัตินะท่าน ก, ก็มานั่งก็อีโยกเราก็นั่งกรอฟังธรรมะเพื่อเทอะทอะ นั่งหลับตาเงี้ยไปเกือบชั่วโมงเนี่ยเราก็นึกโอ้เรางปู่อายุมากแล้วเกือบร้อยปีแล้วฉันข้าวเสร็จก็หลับไปแล้วทขาหลับไปแล้วล่ะเมื่อไหรจะตื่นอ๋อเราจะได้ฟังเทศอะไรเงี้ยรถไฟก็จะออกซื้อตั๋วไปแล้วด้วยจะต้องกลับออกมาสิบโมง ก, กว่าๆอะไรเนี้ยหลวงปู่ก็หลับไปซะแล้วเกือบชั่วโมงนะถ้าลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนเลยว่า การปฏิบัตินี้ไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสารอย่างนี้พอได้ยินเท่านี้นะ่ะปลื้มใจปลื้มใจครับครับเดี๋ยวผมจะค่อยอ่านจิตตนเองเออไปได้แล้วได้หลักแล้วก็ไปปลื้มมากเลยนะฟังแค่นี้กราบลาเลยเดินไปขึ้นรถไฟโอได้เวลารถไฟออกดีเพรารถไฟเคลื่อนแนละ้ใจหายวาบเลย หลวงปู่บอกให้ดูจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตเป็นยังไงไม่รู้จะเอาอะไรไปดูไม่รู้จะดูยังไงไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยไม่ได้ถามท่านสักอย่างเลยท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อปีนี้อ่านจิตตนเองตกใจเลยคารที่ตกใจแล้วตายละว่าอุตส า, ามาสุรินทร์นะแทบแย่เลยนะกว่าจะไปถึงเที่เราไปเดินหาวัดตั้ ง, งนานน่ะเชื่อไปถามเขาว่าวัดบุรพารามอยู่อำเภอไหนอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้จักเลยแปลก มันไปเจอจราจรนะอยู่ที่สีแยกไปถามว่าวัดบูรพารามอยู่ไหนก็ยืนหลังตึกแถวนี้แหละบอเอ้าเราถามคนทั้งเมืองสุรินไม่มีใครรู้จักบอกคุณไปถามว่าวัดบูรพารามไม่รู้จักนะเขาเรียกวัดบูนเคยถามผิดชื่อ <laughs> โลกมาก็ยากนะแถมถามธรรมะ ม, ม, มาแล้วไม่รู้จะปฏิบัติยังไงอีกตกใจ <laughs> จิตเป็นยังไงก็ไม่รู้ จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยจะดูแบบไหนก็ไม่รู้อีกตกใจจะทำไงดีตกใจทำอะไรไม่ถูกแล้วละ่ะถ้านั่งหายใจเข้าพูทหายใจออกโทไว้ก่อนคี่เป็นหลักข้อหนึ่งของการปฏิบัติเลยนะถ้าทำอะไรไม่ถูกทำสมถะไว้ก่อนพุโทโธพุโทโธไปก็ยังดีนะพอจิตใจมันสงบลงเนี้ยมันหายตกใจ จิตใจสงบลงแล้วก็ใช้สติปัญญาพิจรารณาเอาอันนี้ยังไม่เป็นวิปัสสนานะใช้การคิดเอาจะเป็นการคิดที่จิตใจมีระบบมีระเบียบมีเหตุผลถ้าจิตใจไม่ฟุง้งซ่านเอาไปใช้กับโลกได้นะวันไหนฟุ้งซ่านมากก็บริกรรมไปหายใจไปอะไรเนี้ยจิตใจสงบแล้วเนี่ยใช้สติปัญญาแก้ปัญหาได้ดีมากนี่ลวงพ่อไม่รู้จะทําอะไรก็ทําสมถะนี่เป็นกฎข้อที่หนึ่งเลยนะทําอะไรไม่เป็นทําสมถะไว้ก่อนนะ พอจิตใจสงบแล้วก็เริ่มมาพิจารณาท่านให้ดูจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายนี่แหละจิตไม่ไปอยู่ข้างนอกหรอกไม่ไปอยู่ที่ภูเขาไม่มีอยู่ที่ท้องนาที่ต้นไม้จิตต้องอยู่ในตัวเราดงั้นต่อไป น, นี้เนี่ยเราจะคอยรู้อยู่ไม่ให้เกิดกายออกไปนี่เป็นกฎอีกข้อหนึ่งของการปฏิบัตินะอย่ารู้อะไรเกินตัวเองออกไปให้รู้เข้ามาในตัวเองรู้ลงมาที่กายที่ใจของเราเองอย่ารู้ออกข้างนอก อย่างบางคนนั่งภาวนาหรือเจริญสติเจริญปัญญานะบอกการมองเห็นรูปรู้รู้รูปที่ตามองเห็นหูได้ยินเสียงรู้เสียงนั้นจมูกได้กลิ่นรู้กลิ่นนี่กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นไม่ไม่ได้เรื่องเลยมันรู้ออกนอกมันไม่ย้อนเข้ามาที่ตัวเองการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะย้อนเข้ามาศึกษาจนเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีตัวที่มีอยู่นี่มีแต่ตัวทุกข์กายนี้เป็นตัวทุกข์ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่เรียนออกนอก นะไม่เรียนออกไปข้างนอกถ้าเรียนออกไปข้างนอกเห็นของข้างนอกไม่เที่ยงังนั้นมันจะรู้สึกว่าจิตของกูเนี่ยเที่ยงนั้นะนี่ไปกฎอีกข้อหนึ่งนะคือการปฏิบัติเนี่ยอยากให้เกินกายออกไปดูอยู่ไม่ให้เกินกายหรือพอคิดได้ว่าไม่ให้เกินกายก็เริ่มมาดูต่อแล้วจิตอยู่ตรงไหนของกายอยู่ที่ผมหรือเปล่านั่งสมาธิอยู่นะดูลงไปที่ผมตอนนั้นผมยาวเหมือนโยมนี้จับผมนะ จับขยี้ดูนะจิตอยู่ตรงไหนว่าจิตไม่ได้อยู่ที่ผมดูไปจนทั่วผมแล้วนะหาจิตไม่เจอจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ที่ผมอยู่ที่ขนหรอเนี่ยจับขนคิ้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะแต่ก่อนมีขนคิ้วจับดูนะคลำหาหาหาจิตไม่เจอจิตไม่ได้อยู่ที่ขนว่อจิตอยู่ที่เล็บเล็บใต้ทีละเล็บเลยนะอยู่ตรงไหนว่าเนี่ยเสื้อหลายเลย นะเพื่อหาใหญ่เลยหาหาหาอยู่เล็บไหนจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันหรือเปล่านะไม่ถึงขนาดเอานิ้วไปจับนะน่าเกลียดแอบเอาลิ้นสัมผัสอยู่ซี่ไหนหาห า, หาจิตไม่ได้อยู่ในฟันเมื่อไล่ตามตัวนะไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงรู้อย่างหนึ่งแล้วว่าจิตอยู่ในกายนี่แหละแต่ไม่ได้อยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย <N ic c oughs> แต่ว่าอยู่ในกายหรือว่าจิตอยู่ที่ไหนหรือจิตอยู่ที่ความรู้สึกสุขแทําสมาธิปุ๊บเดียวเราก็มีความสุขแล้วทําสมาธิมานานหนึ่งเรมีความสุขดูลงไปในความรู้สึกสุขความรู้สึกสุขสลายตัวไปนะไม่เห็นมีจิตโผล่ขึ้นมาเลยเพราะจิตไม่ได้อยู่ที่ความสุขหรือจิตอยู่ที่ความทุกข์คราวนี้นั่งไม่ให้กระดิกเลยนะนั่งให้มันปวดมากเลยปวดก็นั่งดูไปดูดูดูจนมันหายปวดแล้วมันชาไปเลย มันหายปวดไปแล้วไม่เห็นมีจิตโผล่เข้ามาอีกเรื่องคนคว้าอยู่นะในกายก็ไม่ใช่ในเวทนาก็ไม่ใช่เขฝึกคิดต่ออีกเไม่ว่าหรือจิตอยู่ในความคิดจงใจคิดเลยคิดบทสวดมนต์นะพุทธโธสุดๆโธกรุณามหันโนกพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหนันตตอนที่คิดบทสวดมนต์ขึ้นมาเนี่ยมันเห็นความคิดเนี่ยเลื้อยขึ้นมาจากความว่าง พุทโธสุดๆโธมันผุดขึ้นมาจากความว่างๆจิตเป็นคนดูอยู่พอไปเห็นกระทบจิตไปรู้ทันว่าจิตคิดท่านั้นเองจิตรู้เกิดขึ้นมาทันทีเลยเลยรู้อ่าจิตเจอจิตแล้วถ้าเมื่อไรรู้ว่าจิตคิดจิตรู้จะเกิดนี่เป็นกฎเลยนะถ้าจิตรู้กับจิตคิดเป็นสิ่งตรงข้ามกันถ้าสังเกตให้ดีการสอนกรรมฐานของหลวงพ่อจะสอนกลับข้างนะจะสอนกลับข้างตลอดเลย ชนให้รู้ว่าผิดนะแล้วจะถูกเองอย่าจงใจทำให้ถูกถ้าจงใจทำให้ถูกไม่มีทางถูกเลยนะ mm hmm. มิเนตไปทำมะนะเวลาปฏิบัตินัมันจะกลับหัวกลับหางเดูแปลกๆนะ mm hmm. แต่ว่ามันสมเหตุสมผลมากเลย mm hmm. พอรู้ว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดพอจิตรู้กเกิดนะ mm hmm. พุโธเอ้ยไอจิตชนิดนี้นะตอนนั่งสมาธิมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว mm hmm. แล้วไม่รู้ว่านี่คือจิต เวลาที่เรานั่งสมาธินะรู้ลมหายใจไปทีแรกลมหายใจมยาวไปถึงท้องนะแล้วหายใจแล้วลมค่อยสั้นเข้าพอจิตสงบนลลมจะตื้นขึ้นเรื่อยๆนะพอจิตสงบจริงๆแล้ลมก็หยุด อ, อยู่ที่ปลายจมูกนี่นะกลายเป็นแสงสว่างจนแสงสว่างนี่เราดูที่แสงสว่างไม่ต้องดูลมหายใจดูที่แสงสว่างแสงสว่างเล็กได้ใหญ่ได้นะจิตมีปีติมีความสุขขึ้นมาพอจิต มันจับอยู่ที่ตัวแสงสว่างคาเคล้าเคลียอยู่ที่แสงสว่างนี่เรียกว่าวิตกวิจารณ์วิตกคือตรึกอยู่ในแสงสว่างวิจารณ์คือคเคล้าเคลียอยู่ในแสงสว่างพอเรารู้ทันว่าจิตมันเข้าไปจับแสงจิตก็อถอดตัวออกจากแสงมาตั้งมั่นขึ้นเป็นตัวผู้รู้เพราะฉนั้นตัวผู้รู้ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยการตรึกการตรองในอารมณ์ นะการที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเนี่ยจิตมันจึกมันตรองในอารมณ์เหมือนกันนะแต่เป็นอารมณ์บัญญัติที่คิดขึ้นมาเขารู้ทันท่านจิตรู้มันก็ดีดปางขึ้นมามันตัวเดียวกันแหละแต่ถ้าเราได้จิตรู้มาจากการนั่งสมาธิเนี่ยจิตรู้จะทรงตัวอยู่ได้นานบางทีทรงตัวอยู่ได้เจดวันแต่ไม่เกินนั้นหรอกแต่ถ้าเป็นจิตรู้ที่เกิดจากการรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดเนี่ยจะเกิดจิตรู้ขึ้นชั่วงขณะเท่านั้นเอง จิตรู้ชั่วขณะเนี่ยเป็นจิตที่มีสมาธิชนิดที่เรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะนะเช่อไม่เหมือนจิตรู้ที่ตั้งมาจากการทำสมาธิเต็มรูปแบบจะทรงตัวอยู่นานกว่าแต่จิตรู้ที่เกิดเป็นขณะขณะ น, นี้เอาไว้ทำหิปัสสนาดได้แล้วนะไม่จาเป็นว่าต้องเข้าฌานทุกคนหรอกเพราอฉะั้วนันนั้นหลวงพ่ อ, พอนั่งรถไฟมาดูไปแล้ว จิตไม่ได้อยู่ในกายหาจิตไม่เจอในกายนะไม่ได้อยู่ส่วนไหนของกายแต่อยู่ในกายนี้แหละแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนไม่ได้อยู่ในความรู้สึกสุขทุกข์แต่พอเรารู้ทันว่าจิตคิดนนั้จิตรู้ว่าเกิดพอได้จิตรู้แล้วเริ่มสังเกตเห็นนะนั่งรถไฟมาถึงกรุงเทพเนี่ยจิตรู้โผล่ขึ้นมาแล้วพอได้จิตรู้แล้วเออหลวงปู่ให้ดูจิตแล้วต้องเฝ้าตัวรู้ไว้แต่เดี๋ยวเดียวนะมันไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์ จิตเนี่ยมันเข้าไปคลุกอยู่กับอารมณ์นะอารมณ์มันอยู่ที่กลางหน้าอกจิตรู้อยู่ตรงนี้นะไหลเข้าไปเกาะกันเขาเข้าไปเกาะกันเป็นก้อนเดียวกันนะจิตทุกข์โอ้ถ้าไม่มีจิตรู้นะจิตเป็นทุกข์เลยจิตมีความอยากจิตมีความยึดอารมณ์นะจิตเลยทุกข์นะถ้าเป็นจิตรู้จิตมีความสุขเพราะฉะนั้นหลวงปู่บอกให้ดูจิตต้องดูจิตรู้ไม่เอาจิตอย่างอื่น พยายามหาทางแก้ไขก้อนที่กลางหน้าอกเนี่ยหาทางทําลายมันเพ่งใส่มันนะั้นระเบิดเปรี้ยงเลยนะจิตรู้ถอดออกมาอีกแต่เดี๋ยวเดียวเข้าไปเกาะ อ, อีกแล้วนะหลุดออกมาได้พอตื่นเช้ามาอีกวันก็ไปเกาะเรียบร้อยอีกแล้วเพ่งอีกไม่ยอมระเบิดแล้วครานี้ก็กำหนดจิตแลหลเหมือนเข็มเลยนะแทงมันแทงแทงแทงแล้วมันเหมือนลูกโปง่งเหนียวๆนะแทงแล้วมันแฉลับฉลั บ, ฉ ล, บฉลับนะแล้วงค่อยๆหยังให้ถูกจุดนะั้นระเบิดโป้งหลุดออกมาอีกแล้ว อีกวันหนึ่งแทงไม่แตกนะเพ่งก็ไม่แตกเฉือนบันทีละหน่อ ย, ห น, อยหน่อยนะหมดอีกตั้งขึ้นมาได้โอ้ต่อมาฝึกอยู่สามเดือนคืออยู่สามเดือนเนี่ยจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาไม่เข้าไปเกาะแล้วนะตั้งพวกเราเคยเห็นจิตที่เข้าไปเกาะอารมณ์ไหมนะถ้าภาวนาสักพักหนึ่งก็จะเห็นนตั้งอย่างนี้โอ้ดูจิตได้แล้วรีบไปรายงานหลวงปู่ดุลโลปู่ผมดูจิตได้แล้วจิตเป็นยังไง วุ้ยจิตมันวิจิตทิส adan ครับมันทําอะไรได้ต่างๆนาๆนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมรู้ท่ันแล้วผมปล่อยอารมณ์หมดนะจิตตั้งเนี่ยผมอยู่กับตัวผู้รู้ได้ตลอดเลยตอนนี้ยไม่ว่าหลวงปู่จะชมหลวงปู่บอกว่ากลับไปดูใหม่ ย, ยังไม่ได้ดูจิตเลยน ะ, นะไปแทรกแซงอาการของจิตไปบังคับไปฝึกเจอแล้วถ้าจิตจิตปกติมนุษย์มนาใลายเป็นจิตผู้รู้ตั้งโดเดอยู่อย่างเงี้ย รักษาไว้ตลอดเวลาเลยเพราะเวลาพวกเราภาวนาระวังอย่าไปหลงรักษาตัวจิตผู้รู้ไว้มันมีขึ้นมาแล้วมันสลายตัวไปเข้าไปเกาะอารมณ์เกาะอารมณ์แล้วสลายตัวไปมาเป็นจิตผู้รู้อย่างนี้ถึงจะถูกนะแตรักษาตัวจิตให้เด่นดวงอยู่ทั้งวันเนี่ยไม่ถูกหรอกมันไม่มีวิวปัสสนาไม่แสดงใจรักหลวงปูนะบ่บอกให้ไปดูใหม่ครานนี้ตกใจระบา่าดดูมาตั้งเยอะแล้วหลวงปู่ว่าดูผิดเองนะ กลับมาดูใหม่นั่นพิจารณาดูหลวงปู่บอกให้ดูจิตนะที่เราทำเนี่ยเราไปแทรกแตงจิตเราไปพยายามจะให้จิตดีถ้าดูดูเป็นยังไงเหมือนเราอ่านหนังสือหนังสือแต่ละเล่มที่เราอ่านนะมันเป็นยังไงเราก็รู้แค่นั้นเองรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นหนังสืออย่างนิยายนัถึงบทรักก็รู้ว่ามีบทรักถึงบทโกรธก็รู้ว่ามีบทโกรธ ถึงบทเสียใจก็มีบทเสียใจเราก็แค่อ่านอ่านอย่างที่เขาเป็นเราไม่ใช่นักประพันธ์ไม่ใช่ผู้เข้าไปแทรกแซงแต่มาเลยใช้วิธีได้ว่าจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขจิตมีความทุกรู้ว่ามีความทุกข์จิตเป็นกุศลรู้ว่าเป็นกุศลจิตรอบจิตโกรธจิตหลงรู้ว่าจิตลอบจิตโกรธจิตหลงรู้อย่างที่เขาเป็นด้วยเลยแต่ว่ารู้โดยที่มีจิตคนหนึ่งเป็นคนดูนะมีจิตที่เป็นคนดู หลวพ่ถึงจำชี้จำายพวกเราว่าเราจะต้องมีจิตรู้ถ้าเรามีแต่จิตคิดเนี่ยเราดูไม่ได้จริงจิตเราต้องตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้ซึ่งจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยเกิดจากการที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดฉะนั้นเราจะต้องฝึกเบื้องต้นให้พวกเราทํากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะตามความเคยชินใครเคยพุโทโธก็พุโทโธใครเคยหายใจก็หายใจใครเคยดูท้องพองยุบก็ดูไป ใครเคยเดินโจงกลมก็ทาไปใครจะขยับมืออย่างคุณหมอคงศักก็ขยับไปอะไรก็ได้แต่ขยับมือหรือรู้ลมหายใจเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้จิตสงบนะให้ใช้วิธีว่าขยับไปหรือรู้อะไรต่ออะไรนะกรรมฐานใดใดอย่างหนึ่งไปเนี่ยแล้วคอยรู้ทันจิตเช่นพุโทโธพุโทโธจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่จิตรู้ทันนะรู้ลมหายใจจิตนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทัน ือท้องผ่องยุบนะจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งท้องก็รู้ทันเดินจงกรมนะจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตมาเพ่งเท้าก็รู้ทันเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็รู้ทันขยับมือทําจังหวะอยู่จิตหนีไปคิดก็รู้ทันนะจิตมาเพ่งใส่มือก็รู้ทันะเรื่อยรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะพอเรารู้เรื่อยๆเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปเพ่งเราก็รู้จิตมันเผลอเคลื่อนเผลอไปเราก็รู้พอรู้แล้วเนี่ยจิตนจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้จะจะอยู่ไม่นานไม่ต้องรักษา หายไปแล้วเอาใหม่หายไปแล้วก็รู้ทันหายมันหายไปไหนอ่ะมันหายไปคิดอีกเมื่อคิดอีกรู้อีกคิดอีกรู้อีกเอาแค่นี้แหละไม่ต้องห้ามคิดนะอย่าไปห้ามความคิดการไปฝึกกรรมฐานเราอย่าไปห้ามอะไรที่ผิดธรรมชาติจิตมีธรรมชาติคิดก็ปล่อยให้เขาคิดไปแต่พอเขาคิดแล้วเรามีสติรู้ทันเนจิตรู้จะเกิดขึ้นเดีย๋ยวพได้ตัวนี้แล้วนะต่อมาเรามาดูความเปลี่ยนแปลงของจิตนะจิตเดี๋ยวก็สุข จิตเรเป็นคนดูอยู่นะเห็นความสุขผ่านมาความสุขไม่ใช่จิตนะความสุขเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้มาแล้วก็ผ่านไปความทุกข์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปกูศนผ่านมาแล้วก็ผ่านไ ป, นลนไปโลภโกรธหลงผ่านมาแล้วโลภโกรธหลงก็ผ่านไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปหมดเลยจิต ท, ที่เป็นคนรู้นี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนั้นทั้งกายทั้งใจของเรานี่มีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บางทีแล้วก็มาจิตมันก็ย้อนมาดูกายเมื่อเห็นว่าร่างกายก็มีความเปลี่ยนแปลงร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายเดี๋ยวก็หายใจเข้าร่างกายเดี๋ยวก็ยืนเดินนั่งนอนนะเปลี่ยนอิริยาบถร่างกายเดี๋ยวก็เคลื่อนไหวร่างกายเดี๋ยวก็หยุดนิ่งมีแต่ความแปรปลีนเหมือนกันร่างกายเดี๋ยวก็สุขร่างกายเดี๋ยวก็ทุกข์มีมีแต่ของแปรเปลวนในจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยเฉยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะ ตัวจิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเนี่ยในขันท่าในกายใ น, ในใจของเรานะมีแต่ของที่แปรปรวนตลอดเวลาเลยเนี่ยหลวงพ่อดูอยู่อย่างนี้แหละสี่เดือนวันหนึ่งพายุมาออกจากที่ทํางานตอนเย็นหน่อยทำงานอยู่ทําเนียบรัฐบาลตอนจะเลิกงานเนี่ยโอ้ยพายุมาแรงมากเลยออกจากที่ทํางานตอนนั้นยังไม่มีรถขับนะ เป็นข้าราช ก, การชั้นผู้น้อยสี่ห้ามั่งนะพอออกมาอายุนั้นมันพัดล่มนี่กลับข้างเลยล่มนีอลู่ปือ็ปวนนะโอ้เราตอพับเก็บลงมานะตักฝนไปเตียกฝนไปหมดทั้งตัวเลยแล้วก็หนีฝนไปหลบอยู่วัดโสมสมนัสข้ามคลองไปตีน้องชายบวชอยู่ที่นั่นนะไปถึงก็ที่กุฏิพระนะถ้าไปนั่งนั่งกอดเข่าไว้ไม่การานั่งพับเพียบนะ ตัวเรานี้เปรียกหมดเลยถ้านั่งพ้าเพียมนี่น้ามันจะนองไปไกลอนั่งแคบๆนั่งแล้วใจมันก็กังวลขึ้นมาถูกฝนคงจะเป็นหวัดแน่เลยรอบนี้พอใจมันกังวลขึ้นมานะสติะระลึกได้เลยว่าจิตกังวลเงั้นเราเคยฝึกมาเยนชินแล้วว่าอะไรแปลกปลอมขึ้นในจิต น, นะรู้ทันหมดเลยความกังวลเกิดขึ้นสติะระลึกปั๊บลงไปในความกังวลพอละระลึกลงไปปุ๊บนะความกลัลขาดนะจิตก็รวม คล้ายพายุโลกกําลังตึงตังน้ำฟ้าเปี้ยงเปี้งนะหายไปหมดเลยร่างกายก็หายไปหมดเหลือแต่จิตเดียวนะ<ม>จิตมันก็พัฒนาอะไรของมันไปนะพอมันถอยออกมาแล้วเนี่ยกลับมาเนี่มันมีความรู้สึกว่ารูวมันไม่เหมือนเดิมแล้วใจเราไม่เหมือนเดิมะดูลงมาในกายก็กลวงกลวงนั่นดูแปลกแปลกไปใจมันก็รู้นะว่าจิตมันไม่เหมือนเก่าแล้วพอขึ้นไปหาหลวงปู่ดูลยนะ ใช้เวลาทั้งหมดตั้งแต่เจอท่านเจ็ดเดือนขึ้นไปแล้วท่านบอกว่าภาวนาเป็นแล้วเข้าใจอย่างที่ท่านบอกแล้วให้ทําตอบอีกเนื่อเลยได้หลักของการปฏิบัตินะว่าให้เรารู้อย่างที่มันเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงในกายในใจเราเนี่ยอย่าไปตรึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คงที่ไว้ให้เห็นแต่ของเปลี่ยนแปลงเช่นร่างกายก็เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดียนนเ๋ยวนอนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ แต่จิตใจก็มีแต่ของเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายะตัวจิตเองก็เปลี่ยนแปลงะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวคิดเดี๋ยวรู้เดี๋ยวคิดบางทีไม่ได้รู้แล้วก็คิดอย่างเดียวนะเดี๋ยวรู้ทางตาเดี๋ยวไปทางหูเดี๋ยวไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมิจฉาหมุอนติ้วไปหมดเลยในสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเราเนี่ยให้พวกเราคอยรู้คอยดูไปนะการปฏิบัติไม่ยากหรอกนะ หลวงปูดนถึงบอกหลวงพ่อเลยเป็นประโยคแรกว่าการปฏิบัติไม่ยากหรอกยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วแต่ปีนี้อ่านจิตตนเองมีหลวงพ่อแนะนําพวกเราให้อ่านจิตตนเองนะเพราะว่าอะไรเพราะาคนยุคเราเนี่ยเป็นคนช่างคิดพวกที่ช่างคิดมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกช่างคิดนะคือการดูจิตกรรมฐานที่เหมาะกับพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะคือการดูกายแต่ถ้าดูจิตไม่เห็นให้ดูกาย ดูจิตก็ไม่เห็นดูกายก็ไม่เห็นนะ่ะให้ทำความสงบไหมทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ถูกทำความสงบไว้ก่อนนะตั้งหลักไว้ก่อนเป็นจุดตั้งรับอันสุดท้ายแล้วถัดจากนี้ไปก็คือหลงโลกหละเนะนี่อใช้หลักการปฏิบัตินะทําอยู่อย่างนี้แหละแล้วต่อมาก็ภาวนามาเรื่อยนะภาวนามาเรื่อยใจก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นแะล้วทีแรก พ่อวนาเป็นนะก็อยากบวชนะอยากจะบวชเตอยังบวชไม่ได้ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่จะ ต, ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บวชไม่ได้พอบวชไม่ได้ทําไงทําใจไม่บวชก็จะปฏิบัติเขาอยู่มาเรื่อยๆนะต่อมาก็คิดอยู่ว่าถ้าพ่อแม่ตายแล้วจะไปบวชศึกษาคัะแม่ชีนะเสร็จ แ, แล้วเชิญหลวงพ่ออายุสี่สิบแปดนะแม่ตาย เหลือพ่อก็อเข้าไปกระแซกแก่พ่อพ่อไปอยู่วัดได้ไหมไปอยู่วัดกันไหมพ่อใจเด็ดนะพ่อรู้ว่าอยากบวชนะเอ้าไปก็ไปโดยออกมาอยู่วัดโดยได้บวชนะตอายุสี่สิบแปดแล้วพ่อเข้ามาอยู่วัดด้วยแม่ชีก็ไม่ได้บวชนะแม่ชีก็เลี้ยงพ่อไปเลี้ยงพ่อของหลวงพ่อนะแม่ชีนี่เสียสละคนไปช่วยเลี้ยงตอนนั้นอยู่กับครูบาอาจารยนยังไม่บวชเหมือนกัน อยู่วัดเนี่ยสามคนนะช่วยกันทำงานสารพัดเลยนะเวลาโยมไปแล้วสองคนล้างส้วมนะปัามส้วมโยมก็ชอบเอาผ้าหนามัยอัดส้วมไปด้วยท่อตันกันนะปั้มน้ำกระจายขึ้นหัวขึ้นหูกันทุกวันเลยนะแล้วจนย้ายมาอยู่เมืองชนนะมีคนวัดมันใหญ่ขึ้นมีคนเยอะขึ้นสองคนสิ่งได้บวช ววดแล้วภาวนานตอนบวดอยู่มังการค่อนนะมีวันเนื่ใจมันก็วางลงไปต้องก็ไปหยิบขึ้นมาอีกใ น, นพรรษาแรกใจมันวางไม่หยิบขึ้นมาอีกเพมปล่อยวางจิตแล้วทำไมไม่ปล่อยเลยว่าด่านไปหยิบขึ้นมาอีกแล้วเขออกพรรษาไปกราบหลวงปู่สุวัตไปรายงานท่านตอนนั้นท่านอาการไม่ดีแล้วท่านเป็นอมัมพาตราตหลังท่านช่วยตัวเองไม่ได้เลยแล ว, วีิลงไปเรื่อยๆเกิอด น, น้ำลายก็ไม่ได้ต้องคอยดูดเรื่อยๆ นะท่านไม่สบายมากเขาโดบยาไว้จนท่านเบลอไปหมดเลยท้ายท่านก็เข็นหลวงปู่ออกมาหลวงพ่อก็เข้าไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ก็เบลออย่างเงี้ยนะไดบอกท่านหลวงปู่ครับครูบาอาจารย์สอนให้ผมดูจิตหลวงปู่ก็ฮึกลับมารู้สึกเลยนะผมวางจิตลงไปหลวงปู่ฮึ <c oughs> แล้วผมก็หยิบมันขึ้นมาอีก <c oughs> <c oughs> ยิบว่าทําไมไปหยิบว่าทําไ ม, ไ ม, ม, าไมนะไม่มีอะไรแล้วนะปล่อยไปเลยแล้วก็นึกในใจหลวงปู่พูดง่ายนะปล่อยไปเลยมันไม่ปล่อยอะ่ะ <c oughs> ใจมันขาดมันรู้นะว่าขาดแต่มันไม่รู้ว่าขาดอะไรแล้วพอหนากันต่อมานะวันหนึ่งนั่งสอนโยมเสร็จนะหมดแรงมันจะนอนนอนอยู่จนบ่า ย, ายเย็นลุกขึ้นมา ลูเข้มาก็นั่งเล่นแล้วไม่รู้จะภาวนาไงและภาวนาทุกแง่ทุกมุมแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยยังมีกิเลสท่วมหัวอยู่อย่างเก่าสู้กิเลสไม่ได้สดักทีนั่งดูต้นไม้ดูอะไรเนะ่ ใ, นใจมันเข้ามาถึงจุดที่จนมุมนะอยู่สิบห้าวันแนละ้วจนมุมนั่งดูต้นไม้ดูอะไรไปใจก็ค่อยๆมีความสุขนะใจมีความสุข ข, ขึ้นมา อยู่ๆมันพลิกตัวทีเดียวนะมันกลายเป็นตัวทุกข์แตใจมันกลายเป็นตัวทุกข์เนี่ยแต่เดิมเวลาความทุกข์เกิดขึ้นนะเราดูปั๊บนะขาดสะบั้นหมดเลยะแล้วมันไม่ทุกข์มาตั้งนานแล้วนะนี่อยู่ๆมันทุกข์ขึ้นมาฉับพลันโอเห็นทุกข์เห็นโทษเราแค่นี้ก็รอดคือพอมันทุกข์นะมันมันไม่ขาดยิ่งดูยิ่งทุก เหมือนเอาภูเขาทั้งลูกลนะ้ะลงมาบดเลยบดขยี้ในจิตจิตมันก็รู้สึกนะว่าถ้านั่งต่อไปนะจิตจะระเบิดถ้านั่งดูต่อไปจิตจะระเบิดถ้าจิตระเบิดตายแน่เขนะาบอกว่าจิตระเบิดตายแน่นะตายก็ตายไม่กลัวหรอกคราวนี้มันบอกใหม่บอกว่าถ้าระเบิดแล้วไม่ตายเนี่ยจะเป็นบ้านนะตายแล้วไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นบ้าเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนนะโหใจหลอกแข่เลยไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนแต่ช่างมันวะคนอื่นเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปเอะจะเป็นอะไรก็เป็นนะเ <c oughs> นี่ยต้องยอมตายนะภาวนาแบบสู้ตายคือบาต จ, จารย์สอนไว้อย่างนี้นะค่อยหัดค่อยหัดเอาคือถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษนะไม่ปล่อยหรอก ถ้จะยึดถืออยู่ถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษมันก็จะปล่อยวางเราภาวนามีสติรู้กายรู้ใจไปเนี่ยเห็นทุกข์เห็นโทษไปหมดเลยกายนี้เป็นทุกข์เป็นโทษมันมีจะ่ควาทุกขนะแต่เดิมไม่ไม่ภ า, าวนาภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่ได้พอสมควรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างแต่พอภาวนาเต็มที่แล้วนะจะรู้สึกเลยสร้างกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลย มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ลงหายใจออกอย่างเดียวไม่หายใจเข้าทุกข์ตายเลยหายใจเข้าอย่างเดียวไม่หายใจออกทุกข์ตายเลยเพราะฉะนั้นพอหายใจเข้ามามันทุกข์ต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกไปแป๊บเดียวนะแก้ทุกข์ได้แป๊บเดียวก็เกิดทุกข์อีกแล้วพอหายใจเข้าแก้ทุกข์อีก แตนะ่แค่การหายใจของเราเนี่ยถ้าเรามีสติรู้การหายใจอยู่จะรู้เลยว่าหายใจเพื่อแก้ทุกข์เป็นคราวๆไปเพราะฉะความทุกข์นี่บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยมันน่ากลัวขนาด น, นี้นะร่างกายเนี่ยไม่ดีเลยอยู่หายใจเมื่อไหร่เน่าเลยตายเลยนะบางคนแข็งแรงดีนะผมก็เคยรู้จักแม่ครัววัดหนึ่งไปทีใดแกหุงข้าวให้กินด้วยวันหนึ่งแกกินข้าวเช้านี่แหละแล้วแกสำลักสำลักแล้วอาหารอุดหลอดลมตายเลย ตายขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ตายง่ายมากนะหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายทุกตลอดเลยเมื่อพอใจมันเห็นทุกอย่างนี้นะจะหมดความรักในกายกายนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆมันหมดความรักในกายมันก็ไม่ยึดกายถ้ามาดูจิตดูใจนะแต่เดิมเราเห็นว่าจิตนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนะยิ่งภาวนามากจิตยิ่งมีความสุข ยิ่งภาวนามากขึ้นมากขึ้นนะยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นยิ่งปล่อยยากขึ้นเรื่อยๆหลวงปู่ดูลท่านเคยสอนว่าผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นะไปเป็นผีใหญ่ไปเป็นพรหมต้องมาติดตัวที่จิตใจมีความสุขนี้เองเจ้าภาวนาไปยจนเห็นเลยจิตมีแต่ทุกข์ถ้าเห็นจิตมีแต่ทุกข์ได้จริงๆจิตถึงจะปล่อยได้นะเราค่อยๆฝึกไปส่วนหลวงพ่อเมื่อไหร่ชาติไหนปล่อยได้ก็เอาเท่านั้นแหละ นะชาตินี้ถ้ามันไม่ปล่อยก็ช่างมันชาติหน้าจะไปทําอีกนะไม่กลัวหรอกสู้ตายถ้าเมื่อไหร่เราเห็นกายเป็นทุกข์รนุนรุนจิตเป็นทุกข์รุนๆุนะเราถึงจะปล่อยวางได้ฉันั้นอย่างบางคนพูดกันนะว่าอย่าไปยึดถือสิอย่าไปยึดถือสิพูดแต่ปากอะ่ะมันไม่มีวิธีการเรียนรู้ของจิตนะจิตจะไม่ไม่คลายความยึดถือหรอกยังไงมันก็ยึดอยู่นะเพรพวกเราพาให้จิตเรียนรู้นะ พาให้จิตเรียนรู้กายพาให้จิตเรียนรู้จิตใจของเราไปเรื่อยอย่าอย่าหลงไปอยู่ในโลกของความคิดพยายามรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวไว้เรื่อยๆแต่ไม่ใช่รู้สึกจนแข็งเปื้อนอยู่ทั้งวันนะถ้ารู้สึกแลบเผลอไปไม่เป็นไรรู้สึกแลบเผลอไปไม่เป็นไรดีกว่ารู้สึก24ชั่วโมงรู้สึก24ชั่วโมงย่ารู้สึกว่าตัวรู้เที่ยงตัวรู้เที่ยงใช้ไม่ได้นะไม่ผ่านจริงหรอกแล้วให้ให้เห็นในตัวรู้เองก็เกิดด แต่ว่ามีตัวรู้ขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นถ้าไม่มีตัวรู้ยังมีแต่ตัวคิดเลยจะดูกายดูใจไม่ได้จริงจะไม่เห็นความจริงของกายของใจเพราะนั้นเรารู้สึกตัวขึ้นมาก่อนะขั้นที่หนึ่งฮะรู้สึกตัวใจหนีไปเรารู้ทันเรารู้สึกตัวได้แล้วดูกายทํางานดูใจทํางานดูเหมือนดูคนอื่นเห็นร่างกายหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอนค่้ายฝึกอย่างนี้ เรามาดูจิตดูใจไปเห็นจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบังคับไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เมกีเลสบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสุดท้ายก็จะเห็นเลยทั้งหมดนี้มีแต่ทุกข์แต่โทษนะถ้าเห็นทุกข์ได้ก็ก็เห็นธรรมแหละทำไมเห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอะไปทําใจให้ว่างทําใจให้นิ่งเรื่องของสมถตาทั้งสิ้นเลยใช้ไม่ได้ นะบางคนก็ไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างประคองจิตให้นิ่งให้ว่างเรื่องของสมถนะบุคคนบอกไม่ยึดถืออะไรเลยโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนั่นมิจฉาทิฏฐิโลกนี้ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะโลก น, นี้ถ้ามีเหตุก็มีหมดเหตุถึงจะ ด, ดับนะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐินะครูเจ้าไม่ได้บอกว่านัตตาแต่ว่าไม่มีอะไรเลยนัตตาคือมันไม่อยู่ในอำนาจ ไม่มีตัวตนถาวรนี่ค่อยๆศึกษานะขั้นแรกรู้สึกตัวใครจิตเคลื่อนไปบ้างตามเสียงโทรศัพท์มีไหมไหนยกมือซิกร่าหารมีผู้กร้าหารบางส่วนอีกพวกหนึ่งหนีเหมือนกันแต่หนีวิที่อื่นไม่ได้หนีวิธีโทรศัพท์เลยไม่ยกมือ <laughs> พอไหวไหมการพอนามไม่มีอะไรมากหรอก รู้สึกตัวไว้แล้วก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานไปรู้สึกตัวอยู่เฉยเฉยไม่ได้นะรู้สึกตัวเฉยเฉยมันก็รู้สึกตัวเฉยเฉยไปตลอดนั่นแหละไม่เกิดปัญญาจะเกิดปัญญาได้รู้สึกตัวแล้วก็เห็นกายเขาทำงานเห็นใจเขาทำงานเหมือนเห็นคนอื่นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนเราเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวมันเราเห็นคนอื่นนะความโกรธเกิดขึ้นเหมือนเห็นคนอื่นโกรธไม่ใช่เราโกรธ คอยรู้คอดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งมันก็แจ้งขึ้นมาเป็นลําดับลําดับนะถ้าเบื้องต้นเป็นถ้าโสดาบันรโสดาบันมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยศีลบริบูรณ์หมายถึงเป็นศีลอัตโนมัติแล้วถ้าจะต้องทําผิดศีล น, นี่จะละอายแก่ใจ ทำไม่ลงเลยแล้วจะกลัวผลของการทําบาปมากเลยก็เลยไม่อยากทําผิดศีลไม่กล้าทําผิดศีลมีสมาธิเล็กน้อยคือจิตตั้งมั่นได้แป๊บแป๊บก็หนีเหมือนพวกเรานี่แหละพวกเรานี่สมาธิจุ๋มจิ๋มนะยิ่งกว่าเล็กน้อยอีกสมาธิจุ๋มจิ๋มนะยิ่งกว่าเล็กน้อยอีกพระสุดาวันมีสมาธิเล็กน้อยคือตั้งขึ้นมาได้แวบเดียวก็ไหลแล้วตั้งขึ้นมาได้แวบเดียวก็ไหลแล้วไม่ตั้งมั่นตลอดหรอก นะแต่ถ้าผู้ชุชนบางคนฝึกเพ่งจิตนะก็จะตั้งอยู่ได้ทั้งวันนะเ ต, ตายแล้วไปเกิดเป็นพระพรหมที่ไม่มีร่างกายพรหมแนวรูปปรพรหมปัญญาเล็กน้อยพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปตัวตนถาวรของเราไม่มีเพแมทั้งจิตใจนี้ที่เราเคยคิดว่าจิตคือตัวเราเนี่ยเอาเข้าจริงจิตก็เกิดดับ เดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เดี๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวเป็นจิตสุขเดี๋ยวเป็นจิตทุกข์เดี๋ยวเป็นจิตดีเดี๋ยวเป็นจิตร้ายจิตก็เปลนดับและจิตก็ไม่ใช่ของที่เป็นอมตะถาวรไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรนะพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยแค่นี้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราพอพอนานต่อไปเป็นพระสกทาคารนะสกสทาคามีเนี่ย มีศีลศีลบริบูรณ์เหมือนกับผ้าสโสดาอนนี้แหละนะมีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยสมาธิปานกลางก็คือใจเนี้ตั้งมั่นอยู่เยอะและ้วไหลแฉลบแวบเดียวก็จะกลับมาแล้วไหลแวบนี้กลับมาและนะ้วถ้าผ้าโสดาจะไหลแวบแวบอย่างเงี้ค่อยมานะ <laughs> <laughs> แล้วก็อยู่ตรงนี้นิดเดียวนะมาตรงนี้ต่หากที่แวบในตรงนี้แวบนะ่ะตรงนี้แวบอยู่ได้ตรงนี้ ถ้าพระสักระาคาไมู่่ตั้งอยู่นะถ้าไหลไปโน่นนิดเดียวก็จะรู้สึกแล้วมักกลับมานะสมาธิปานกลางทำไมปานกลางยังไหลยอยู่ยังไหลยอยู่ยังเคลื่อนอยู่นะมีปัญญาเล็กน้อยก็คือเห็นอย่างพระโสดาหเห็นแ่ยังไม่ได้ล้างอะไรมากกว่านั้นนะกนะเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแล้นะวภาวนาไปอีกนะถึงขั้นของพระนาคามมนะท่านจะมีศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลาง กัญญาก็กระเถิบนะสมาธิก็กระเถิบขึ้นสมาธิบริบูรณ์นี่คือจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้โดยไม่ต้องรักษาล้วทำไมไม่ต้องรักษาจิตจิตมีสมาธิอยู่ได้ตลอดสมาธิบริบูรณ์ก็เพราะว่าท่านเห็นความจริงของกรรมนะว่ากรรมนี้เป็นทุกข์เป็นโทษรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายไม่ใช่ของดีของนิเศษ เคยเป็นทุกข์เป็นโทษถ้าเมื่อไรจิตไหลไปอยากจิตไหลไปยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยความทุกข์จะเกิดขึ้นที่จิตเมื่อท่านเห็นแจ้งอย่างนี้นะเราเห็นความไร้สาระของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเห็นความไร้สาระของตาหูจมูกลิ้นกายท่านก็หมดความยึดถือในกายเมื่อไม่ยึดในรูปในตานะก็ไม่ยึดในรูปเมื่อไม่ยึดในหูก็ไม่ยึดในเสียงไม่ยึดจมูกก็ไม่ยึดกลิ่น เมื่อไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะก็ไม่มีความยินดียินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสยินดีในรูปเรียกว่ากามปาจามราคะนะยินร้ายในรูปเรียกว่าปฏิฆะดังน้านอนาคานี้ละกามและปฏิฆะได้เพราะว่าหมดความยึดถือในกายแล้วนั่นเองบางท่านเห็นพิรนามาดูกายมา หเห็นกายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษแล้วหมดความยึดถือในกายผู้นี้ดูกายมาแล้วก็บรรลุผ่านนักขาพวกที่ดูจิตจะบรรลุผ่านหนักขาเนี่ยด้วยการเห็นว่าถ้าจิตอยากจิตยืดจิตจะทุกข์และจิตก็เลยหมดความแสบใส่ออกทางสวรรค์ทั้งทนะั้งห้านะตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปแล้วจําเป็นอัตโนมัตินะเมื่อจิตไม่ไหลไปนในกามจิตก็ทรงอยู่ในฌานเท่านั้นอยู่ในสมาธิเท่านัา้นเองใจท่านจะตั้งมั่นเด่นดวงมีสมาธิอยู่ด้วยไม่แกว้งไปเพราะกาม สมาธิเนี่ยศัตรูของสมาธิคือกามนั่นเองกามก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรที่เราไปติดอกติดใจนั่นแหละใจแสบสายออกหาตลอดเวลาเนี่ยพระนาคานะสมาธิท่านบริบูรณ์โดยไม่ได้เจตนารักษานะตัวรู้จะเด่นตั้งมั่นเด่นดวงอยู่งั้นทั้งวันเลยนานๆมองทีหนึ่งแต่ว่าไม่สังเกตหรอกรู้สึกว่ากูแน่เว้ย <c oughs> ไม่เหมือนใครเลยกัญญาปานกลางก็คือ เเห็นความจริงแล้วกายนี่เป็นทุกข์ล้วนๆหรือเห็นความจริงแล้วว่าถ้าอยากถ้ยึดในอารมณ์ภายนอกนะจะมีความทุกข์เกิดขึ้นนี่ปัญญาระดับกลางนะเราพาวนาต่อไปจนถึงปัญญาขั้นสุดท้ายเลยมันจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกพระอนาคามีนะท่านได้สมาธิบริบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอรหันต์เนี่ยสมาธิบริบูรณ์ปัญญาถึงที่สุดแนละ ปัญญาถึงที่สุดเนี่ยท่านเห็นแจ้งแล้วว่าขันทั้งปวงโดยเฉพาะตัวจิตมันเป็นตัวทุกขนะ์ท่านเห็นทุกข์เห็นโทษของขันทั้งปวงหมดความยึดถือในขันทั้งปวงพอหมดความยึดถือในขันทั้งปวงนะจิตสลัดตัวออกจากขันจิตจะแจ้งพระนินพนานพนานเพราะฉะนั้นพระนิพพานนี่เป็นสภาวะธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับนะอย่างพระโสดาบันเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับส่วพระอราหันต์จะไปเห็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับ จะแจ้งในธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพานเวลาท่านมนานสิการ์ท่านะระลึกถึงพระนิพพานเนี่ยจิตก็สัมผัสพระนิพพานเลยเนี่ยจะมีความสุขมีความเบิกบานมีความแช่มชื่นอยู่ตลอดนะถ้าเวลาออกมาอยู่กับโลกนะก็มาสัมผัสอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกาทางใจก็คิดนึกเหมือนคนธรรมดานั่นเองนะไม่ใช่ว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่คิดบางคนไปวาดภาพพระอรหันต์เหมือนคนพิการหรือเหมือนโรบอท ยิ้มก็ไม่ได้นะยิ้มหาว่าโลภหน้าเบื้องไปก็ไม่ได้ว่าโกรธต้องทํายากอหรแค่ไหนพอดีหันะหามากก็ไม่ได้ว่าหลุกหลีกลํนะาบากมากเลยนะเราไปวาดภาพเอาคนพิการมาเป็นพระอรหันนะ่นะที่จริงถ้าไปดูในพระสูตรนะจะรู้เลยว่าพระอรหันแต่ละองค์นี้ท่านไม่ดัดจริต นะท่านไม่แกล้งทําอย่างพระสารีบุตรนะท่านเป็นคนที่ว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วนะมีอยู่ในพระสูตรเนี่ยสะท้อนได้หลายตอนเลยอย่างท่านเดินไปเจอท้องล่องท่านกระโดดข้ามเลยไม่ใช่เดินย่องย่องไปถึงท้องล่องก็ไปยืนพิจารณาท้องล่องอยู่ชั่วโมงนะค่อยๆหมุนตัวไปหาแมกกาเดานมาพาดเลยไมนะ่มีหรอเสียเวลาไปสู้เดี๋ยวรถีไม่ไหวท่านโดดเลยนะหรือวท่านจะกล่าวหนึ่งท่านลาพระพุทธเจ้า จะไปจาริกเมืองอื่นค้าก็ไปส่งเยอะเลยท่านก็พาสังขติไว้หมุนไปหมุนมาเนี่ยสังขติไปฟาดถูกพระองค์หนึ่งเข้านะพระองนั้นอะ่ะเซลจัดนะคิดว่าพระสารีบุตรต้องพูดกับท่านด้วยนี่พระสารีบุตรไม่ได้พูดกับท่านเพราะว่ามีพระต้องคุยด้วยเยอะองค์นี้ไม่ได้กุยด้วยแกโกรธเลยนะไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรประหารฆ่าพระองค์ประห า, า, าระหาตะวัตี นะพระพู้ช่วยเจ้ารู้แล้วไม่ใช่อหรอพระสารีบุตรวิตดีใครไปเรียกมาไหนะนๆเขาฟ้องแล้วก็ไปสอบสวนนะพระสารีบุตรท่านบอกเลยจิตของท่านเหมือนแผ่นดินนะแผ่นดินนี่นะเอาน้ำหอมไปใส่ก็เฉยๆนะเอาของสกรปรกไปทิ้งใส่ก็เฉยๆนะจิตท่านไม่หวั่นไหว จิตท่านเหมือนน้ำแม่น้ําเนี่ยเอาของหอมไปใส่เอาของเหม็นไปใส่ก็เฉยเฉยจิตท่านเหมือนลมนะพัดผ่านสิ่งที่สะอาดหรือสิ่งที่โสกโกก็เท่าเทียมกันจิตท่านเหมือนไฟนะเอาของดีวิเศษแค่ไหนไปเผาเลือกของสกโศกไปเผาก็เผาเหมือนกันเมื่อจิตของท่านไม่มีอะไรแตกต่างเลยจิตท่านไม่เคยประทุสล้ายใครแล้วท่านก็บรื้อเรียกบรื้อสีธนาทนะาจิตของท่านเป็นอย่างนี้อย่างนี้ พระองค์นั้นนี่เหงือแตกเลยสุดท้ายต้องขอขอมาท่านเแม้ว่าท่านไม่ดัดจริทธิท่านเป็นอย่างนั้นจริงหลวงปู่ดูนงองนะหลวงปู่ดูลเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าเนะ่รับรองไม่ได้หรอกเพราะพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วหลวงปูด่ดูลนะไม่ดัดจริทิ์เลยนะเวลาเดินออกมาจากกุฏิแล้วนะใส่อังศาออกมาสบองนะ่ะต้องนุ่งอยู่แล้วนี่ใส่อังาออกมาคนมากราบนะก็นั่งรับแขกเลยนะ ไปเจอที่กุฏิสาราไหนนะอยู่ที่หอละพางไหนนะเจอใครรับแถมตรงนั้นฮะทำได้ตลอดมีโยมาผ้าห่มนว ม, นมไปถวายหน้าร้อนนะซื้อมาตั้งแต่หน้าหนาวแล้วไม่ได้มาถึงหน้าร้อนอามาถวายท่านหลวงปู่ช่วยห่มผ้าจะถ่ายรูปหน่อยจะได้ลืม้มหลวงปู่เฉยไม่เอาไม่มีเหตุผล ทำไมต้องห่มผ้าหน้าร้อนกูไม่ตามใจแมนะ้ท่านไม่แกล้งทำํำปูประชาโลวพ่อเป็นหลานท่านขเขาเข้าไปแล้วก็บอกหลวงปู่ทาไมหลวงปู่ไม่ตามใจเขาล่ะเขาโกรธแล้วรู้ไหมเขาไม่พอใจรู้ไหมบอกรู้ที่เขาไม่พอใจเพราใจเขาไม่มีความพอเนะีท่านบอกว่าถ้าจะให้ท่านทํากิริยามารยาทให้น่านับถือแค่ไหนท่านก็ทําได้เพระก่อนบวชเนี่ย ท่านเป็นนางเอกละครละครสมัยโบราณใช้ผู้ชายเล่นนะเป็นนางเอกนะแต่ท่านไม่แกล้งเนะพระแท้ๆไม่แกล้งหรอกเนะียกรุยาท่าทางอะไรก็เป็นอย่างนั้นเนฮะีอยาอาจารย์มหาบัวกระโดด ก, กระเดกกระโดด ก, กระเดกใช่ไหมท่านงามของท่านนะใครไปเรียนแบบไม่งามหรอก <c oughs> หรือแต่หลวงปู่เทศนะ์งามมากเลยถ้าใครเรียนแบบก็งามไปด้วยแต่โลกไม่เหมือนกันงั้นเราอย่าไปวาดภาพนะอย่าไจอมแปลงตัวเอง จะเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นะไม่ต้องทําเป็นเก๋ไก่เอาแบบใครเขาหลอกนะสมมติว่าเราเดินขากระเพกอยู่เป็นเดินจงกรมกระเพกกระเพกก็ไม่เป็นไรเดินให้รู้สึกตัวก็แล้วกันไม่ใช่ต้องเดินสวยๆเหมือนคนอื่นเขาหรอกจะนั่งนะเกิดเราหลังเบี้ยวหลังงอนั่งตัวเอียงๆก็ไม่เป็นไรให้จิตมันโรงก็แล้วกันจนะฝึกไปนะไม่ใช่เรื่องยากการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องการเสแสร้งแกล้งทําแต่ว่า รู้สึกตัวขึ้นมาร่างกายเป็นยังไงรู้สึกจิตใจเราเป็นยังไงรู้สึกดีก็ได้ร้ายก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้นะชั่วยังได้เลยแต่ชั่วขึ้นมานี่มีสติรู้เนี่ยความชั่วจะครอบงำจิตไม่ได้รับรองไม่ทำผิดศีลศีนระตนมันจะเกิดพอไหวไหมนานนานมาทีโลเทให้ดูเดือดหน่อยพระเจ้าไม่เคยห้ามนะ สอนเรื่องรูปนามอะไรเงี้ยนะลึกซึ้งอนาถบินทิกาเนี่ยเคยขอร้องพระสารีบุตรไว้ว่าให้ช่วยสอนแก่คารวัตบ้างธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งพวกเนี้คารวัตที่มีบา ร, รมีสูงเนี่ยมีอยู่นะถ้าไม่ได้ฟังเขาจะเสียโอกาสในหลวงพ่อ้็มุ่งเอาธรรมะเป็นหลักนะจริงๆในสายตาที่มองพระคารวัตเนี่ยไม่ใช่ต่างหรอกเป็นพระก็เป็นโดยสมมุตินะเป็นคารวัตก็เป็นโดยสมมุติ ถ้ารมหัดภาวนาธรรมะไม่มีพระมีฆรวาสอะไรหรอกถ้าปฏิบัติธรรมสมควรเกียธรรมก็เข้าถึงธรรมอันเดียวกันนะเป็นฆราวาสก็กลายเป็นพระได้นะเปลี่ยนพระได้ถ้าฆรวาสเข้าถึงธรรมอย่ยงสุปฏิปันโนพระขวะโตสาวกสังโฆไม่เห็นมีตรงไหนเลยที่บอกว่าเป็นพระสุปฏิปันโนพระขวะโตสาวกสังโฆพระสาวก ไได้บอกพระสงฆ์ด้วยมั้งาวกสังโฆสังโฆกลุ่มสงฆ์แต่สงฆ์นะสังฆาตัวเนี้ยนะสังฆาตัวเนี้ยเป็นกลุ่มนะไม่จำเป็นว่าต้องใส่เครื่องแบบอย่างนี้นะพวกเราจิตเป็นพระสงฆ์ก็ได้แล้วภาวนาให้ถึงที่จริงๆก็เป็นสุปฏิปันโนได้นะก็อยู่ในบุคลคลสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษมโสดาสกทาคานาคา อรหันต์โสดามาร์โสดาผลคู่หนึ่งสกทาคามา ร, ร, รส์สกทาคารผลคู่หนึ่งอนาคามรรราร์อนาคารผลอรหัตมหตมาร์อรหัตตผลแปดจําพวกพัริยะแปดจำพวกไม่จาเป็นต้องเป็นพระนะเป็นโยมก็เป็นพระได้ส่วนที่หลวงพ่อเนี่ยเป็นพระสมมุติแสมมุติแล้วเราใส่เครื่องแบบแบบนี้สมมุติว่าเป็นพระโยมก็สมมุติเป็นโยมนะ งั้นเราทำใจของเราให้เข้าถึงธรรมะเราก็เป็นปลาได้นะเอานะพอสมควรจะสู้ไม่สู้อ่ะอ๋อต้องสู้นะไม่สู้ก็แพ้แพ้ก็ตายเปล่าทุกแล้วทุกอีกตายแล้วตายอีก ธรรมะไม่เคยเก่านะ 2,600 ปีผ่านมาธรรมะก็อันเก่านั่นแหละของเดิมไม่ล่าสมัยหรอกจบแล้วนะไม่มีใครถามหรืออา้าวเบอร์หนึ่งว่ามาไม่ต้องจอดก็ได้นะไล่ทีละคนนะเอาเวลาเป็นที่ตั้งได้เท่าไหร่เท่าทัน นมรดการหลวงพ่อค่ะยังไม่เคยรายงานผลการปฏิบัติเคยแต่ขอให้หลวงพ่อทำทุกที <c oughs> ก็ชอบคนนี้ใช่ไหมชอบให้หลวงพ่อทำให้ดู <c oughs> เราดูก็ดูได้บางส่วน <c oughs> ใช่ค่ะรู้ไหมว่าจิตมันขาดอะไรมันยังไม่ปล่อยอะค่ะหลวงพ่อทำไมมันไม่ปล่อย มันยังดูไม่ทั่วว่าอันไหนมันแต่ตอนนี้ที่รู้คือถ้าจับเมื่อไหร่่มันเป็นทุกข์มันก็เลยเริ่มปล่อยแต่ว่าตัวไหนบางตัวมันยังยังมีที่พ้นเหนือกว่าค่ะคื อ, ค, อคือถ้าเรารู้ทันนะว่าจับแล้วทุกข์เนี่ยเราทีเราแกล้งปล่อยนะต้องระวังนะเราแกล้งปล่อยแล้วใจจะมีความสุขนะลอยลอยแต่ว่าไม่ใช่หรอกไม่เหมือนจริงหรอกเราเมื่อก่อนที่ซุรินนะ่ะ มีพระองค์หนึ่งพระโตพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าท่านไปเรียนแบบเรีนแบบไม่ได้ท่านไปเรียนผลต้องเรียนเหตุนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจิตเหมือนหลวงพ่อต้องเรียนเหตุอย่างหลวงพ่อจะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าทิ้งหลักนี้นะหนูก็พอคล้าย คือจะจะเล่าให้หลวงจะให้ราย ง, งานนี้หลวงพ่อทราบว่าวที่ทําตามหลักตามเบสิกได้ผลอะไรมาบ้างด้วยค่ะ<อ>ไม่เคยบอกให้หลวงพ่อว่าหลวงพ่อเลยที่ว่าหนูกระโดดไปทําผนอย่างเดียวอก็ <laughs> ที่ผ่านมาก็บางทีก็ได้สภาวะที่จิตที่หัวกับที่อกมันแยกกันไอ้ตัวนี้บ้นผลเนี่ตัวนี้มันก็เงียบๆสบายๆมันไป<อ>แล้วก็สภาวะที่กายจิตอะไรนี่มันแยกตัวจากการเวทนามันก็อยู่ห่างๆไป<อ>แล้วก็ต้ อ, อย่างนั้นสิค่ะ <laughs> อห่างไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่เราแล้วก็ไปเจอสภาวะธรรมที่มันที่มันบังคับไม่ได้มันเป็นของมันเองมาทําของมันเองแล้วถ้าไปยุ่งกับมันนี่กลายเป็นเพ่งอืค่ะแล้วก็บางทีก็เดี๋ยวแทรกนิดหนึ่งขนาดนี้มีเพ่งอยู่ไหมขณะนี้แอคไซน์ค่ะแอคไซน์นะตรึงภายในอยู่ใช่ไหมดีที่รู้นะแล้วถ้าถ้าพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็หายห่วงแล้ว หลวงพ่อเป็นห่วงตั้งแต่พยายามมาดูจิตหลวงพ่อแล้วล่ะเดี๋ยวหนูจะที่ใบให้ฟังว่าทาไมก็แต่แล้วก็มีอีกประเภทบอกว่าตอนหลังก็เริ่มรู้สึกว่ารู้ทันว่าถ้าไปสนใจความสุขจากทางกายเมื่อไหร่เนี่ยจิตมันเหนื่อยทันทีเพราะว่ามันจะต้องวิ่งออกไปต้องรีเสิร์ชก็เลยแบบถอยออกมาแล้วก็อยู่นิ่งๆได้มากขึ้นรู้สึกว่าตั้งมั่นได้ง่ายขึ้นเออแต่เราไม่จงใจนะไม่งั้นเราก็จะยินดีกับอันนี้ยินร้ายกับอันน้น นะถ้ายังมีสิ่งขึ้นอันนึงชอบอันนึงไม่ชอบเนี่ยไม่ใช่นิพิทาจริงหรอกไม่ปล่อยหรอกรู้สึกมันจะเป็นเชิงที่ว่ามันรู้ทันว่าถ้าทําแล้วเหนื่อยอะค่ะแต่ว่าอย่าให้ชอบไม่ชอบใช่ไหมคะโอเคค่ะแล้วก็อันอีกอันนึงก็เริ่มจับได้ว่ากายกับจิตมันกระพริบได้จิตมันกระพริบเร็วกว่าแล้ววันหนึ่งก็นั่งดูจิตมันกระพริบเล่นๆแล้วมันก็ได้ความสุขที่มันมันแปลกไปจากเดิมอะค่ะมัน มันเป็นแวบเดียวเหมือนฟ้าแลบอะค่ะมันแวบเดียวแล้วก็สว่างหรือแต่ว่ามันลึกซึ้งมันไม่เหมือนสุกจากเวลาทําสมาธิซึ่งหนูก็ทําไม่เป็นนะคะมันบังเอิญเข้าไปผลเดียวที่ตอนที่จิตมันสว่างแล้วโลกมันดับอันนั้นมันมันมีความสุขแต่ว่ามันไม่ลึกแล้วก็มันก็ไม่จ้าเท่าก็อันนี้ก็คือของใหม่เพราะนั้นที่ผ่านมาทั้งหมดก็คือหนูว่ามันก็แค่ผ่านมาผ่านไปมีแต่อันสุดท้ายนี่น่าสนใจเพราะหนูยังไม่เคยเจอ ของใหม่ก็จะตามดูต่อค่ะ mm. ทีนี้คำถามก็แค่ว่าในเมื่อหนูจะไม่ค่อยได้เจอหลวงพ่อเนี่ยค่ะหนูจะเอาสภาวัานทัสามสี่ตัวเป็นตัวประกบตัวเองไว้ว่าไม่ให้ผิดทางก็ที่อันหนึ่งก็คือไอ้ช่อง ก, งกลวงในอกอาคารมันเพิ่มมากขึ้น เดิมทีมันจะเป็นดำๆห่อๆอแน่นๆใช่ไหมคะมันก็สว่างมีแบบเดินรอบในข้างใน อ, อกได้แล้วก็ตรงกลางที่มันแน่นก็เปลี่ยนเป็นมูมัวก็คงจะเอาเป็นตัวชี้ต่อว่าถ้าถูกถางมันน่าจะสว่างขึ้นใช่ไหมคะอืได้นะคะสว่างขึ้นมามันก็เป็นผลนะค่ะถ้าถือจิตสุดมันก็เป็นว่างสว่างบริสุทธิ์ค่ะหยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหายหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างคะ คือแค่เป็นเลิอหนูแค่เป็นตัวบ่งชี้แล้วก็ต้องะะนค่ะตัวอื่นเนี่ยกลวงไปหมดแล้วเป็น ต, ตัวจิตไม่กลวงด้วยเลยค่ะเข้าใจค่ะจิตใจเป็นเรานะค่ะใช่ค่ะยังไม่ถึงนะหลวงพ่อเอออย่างนี้หายห่วงละ <c oughs> เป็นลูกศิษย์ที่หลวงพ่อห่วงมากเลยคนเนี้ย่ต <c oughs> ั้ง <c oughs> แต่ไปส่วนสันที่ทำนะเอให้หลวงพ่อทําให้ดูอะไรเงี้ยก็อีกอันหนึ่งก็คือ บางทีสังเกตจิตไปเรื่อยๆบางครั้งเนี่ยเขาจะหลุดออกจากความเป็นขอบเขตของเขาได้เองเขาเจะ expand ออกไปได้เองแล้วขอบเขตมันจะเลื่อนลั ง, งเข้าไปได้เองเออค่ะอันที่สแต่อขอบนี้ไม่หายหรอกนะแล้วคะขอบนี้มันเป็นอาสวะกิเลสข้อหุ้มจิตนะอาสวะเนี่ยจะขาดต้องสุาม <3 S 1> ครั้ง ั้งที่สี่ก็ขาดสะบั้นไปเลยข่าออกจากจิตไปเลยค่ะหนูเห็นเขาเลื่อนแต่เขาก็ไม่เคยขาดเหมือนกันไม่ขาดไม่ขาดนั้นก็ปล่อยเขาอย่างนั้นดีนะไม่ใช่ปล่อยเขาอย่างนั้นนะคอยรู้ทันเนื้วไปรู้ทันอย่างเดียวค่ะค่ะอันสุดท้ายคือที่ถามลุงพ่อไปเมื่อวันแรกก็แค่บอกว่าการอยู่ร่วมกันกับสภาวะธรรมต่างๆให้แบบไม่ไปไปเบียดเบียนเขาไม่ไปจับเขาไม่ถูกครอบงำแล้วก็ไม่ ไม่พิยุ่งกับเขาให้อยู่ร่วมกั น, นธรรมดาแบบแบบอิสระต่อกันเราจะเอาสามตัวนี่เป็นตัวประกอบใช่ไหมคะพร้อมกับสภาวะธรรมของหลวงพ่อที่หนูขอให้หลวงพ่อสแสดงอะค่ะเอาเป็นหลักใจเพราะจะต้องไปทางนั้นก็คือแค่ น, นี้เองค่ะพอจะอนุญาตให้พวกหนูเนี่ยขยันทําได้หรือยังคะเออนะถ้าแยกรูปแยกนามได้นะเห็นขาศ์เห็นขันทํางานไปตามหน้าที่ไม่แทรกแซงซึ่งกันและกันก็ใช้ได้แล้วล่ะ โอเคค่ะลุงพ่อมีอะไรจะตักเตือนล่วงหน้าไหมครับเพราะอีกสองปีกว่าจะเจอหลวงพ่อะค่ะเดี๋ยวคนนี้รู้จริงๆก็ใจให้มันถึงฐานนะสมาธิอ่อนค่ะทําไม่เป็นถ้าฝึกให้จิตตั้งมั่นจริงๆแต่จิตตั้งมั่นไม่ถึงขนาดเท่งเอาไว้นะสิ่งที่ขาดประเทศคือสมาธิจิตไม่เข้าฐาน ได้ค่ะนี้ค่ะอะเบอร์สี่เชิญใครฟังแล้วกลัวบ้างว่าคนนี้พาวนา น, น่า ก, กลัวจังไรมีไหมออมีเหมือนกันบอกกลัวหลายคนกราบน้ำมาสการเจ้าค่ะหลวงพอ่อแต่มีที่พาวนา น, น่า ก, กลัวกว่านี้อีกนะแต่ไม่ได้เรียนกับหลวงพ่อหรอกคป น, น่ากลัวมาจากที่อื่นมาถึงก็ <laughs> โอ้อยากแก้ไม่ไหวนะนี <laughs> ่าวนา น, น่ากลัว ค่ะอโอกาสถวายการบ้านเจ้าค่ะอืลูกไปถวายการบ้านหลวงพ่อที่ส่วนสันติธรรมเมื่อเดือนกุมภาที่แล้วสะบักสะบอมไปแล้วค่ะเพราะว่าตัวเองคุกกับปัญหาข้างนอกมากๆแล้วก็เมื่อก่อนนี้แยกกายแยกจิตได้แล้วแล้วเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวใช้ตนแล้วก็เห็นว่าแล้วมันก็มีความสุกอยู่แล้วพอกลับมาก็มาคลุกแล้วก็เห็นว่า ยังมีกิเลสมากมายก็ดูกิเลสไปอยู่แล้วหลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่แล้วลูกไปถวายการบ้านหลวงพ่อลูกตื่นเต้นมากจนว่าถวายการบ้านผิดผิดถูกถูกไม่ถูกกับสภาวะแล้วก็ส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นแหละ <laughs> เจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นลูกก็ได้ไปเข้าวิปัสสนากรรมฐานสิบวันเจ้าค่ะแล้วก็ไปนั่งดูเวทนาด้วยจิตที่เป็นกลางคือไม่ได้เพ่งเลยเจ้าค่ะแค่รู้เวทนาแล้วก็ด้วยใจที่เป็นอุเบกขา <laughs> ด่วนไหมว่ากายก็ส่วนกาเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตหรือได้ไหม เจ้าค่ะลูกเห็นแล้วว่าเวทนาก็อยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อก่อนลูกจะเห็นว่ากายกับจิตเนี่ยมันแยกออกจากกันแล้วก็จิตก็ไม่ใช่เรากายก็ไม่ใช่เราแต่เดี๋ยวนี้ลูกจะเห็นว่าร่างกายเป็นเพียงขันธ์ห้าทำงานเราไม่มีตัวตนแต่มันเห็นเป็นแวบๆเจ้าค่ะอืว่ายังไม่พอนะปัญญามันล้ําไปเจ้าค่ะมันสรุปเร็วไปเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อที่ลูกไปส่งกันบ้านหลวงพ่อคราวที่แล้ว ลูกหลวงพ่อให้การบ้านมาบอกให้ลูกเนี่ยอย่าไปคลุกแล้วก็ไปฟ้งในธรรมะมากมมเกินไปเพราะลูกเนี่ยชอบอ่านธรรมอ่านหนังสือธรรมะมากๆเลยเจ้าคะ่ะ ม, มันทําให้ลูกมีความสุขเออค่ะเวลาเราอ่านธรรมะมีความสุขนะแล้วใจมันฟุ้งไปในธรรมะได้เจ้าค่ะแราวแล้วอ่านด้วยสติที่ว่าเห็นว่ามันหลําเพราะว่าเวลาอ่านไปเนี่ยนะเจ้าค่ะมันก็จะเห็นว่าจิตคิด แต่ว่าไม่ได้ไปนั่งแปล่อยู่ก็รู้ว่าจิตคิดก็รู้ว่าคิดจิตคิดจิตสงสยัยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะนะให้รู้ทันอีกตัวนะใจมันมีความสุขเวลาเราเข้าเคลียกับธรรมะแล้วจิตมันมีความสุขให้รู้ทันเวลาเจ็บติดสุขตัวนี้เจ้าค่ะลูกติดสุขตรงนี้มากจนบางครั้งถึงขนาดอยากรบกลับไปอ่านหนังสือต่ อ, อให้รู้ทันนะ เราจะพ้นโลกก็ต้องไปติดสุขอยา น, นี้เจ้าค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือลูกเห็นสภาวะธรรมลูกสงสัยเมื่อวานแต่ลูกมาฟังเทศหลวงพ่อเมื่อวานตอนเย็นลูกก็ได้คำตอบไปแล้วคือที่ว่าเวลาลูกเนี่ยลูกนั่ง เ, เวลาลูกเจริญ ดูอิริยาบถสี่เป็นวิหารธรรมเพราะลูกสังเกตเวลาลูกดูลมหายใจเนี่ยมันจะมีก้อนแข็งขึ้นมาทันทีเลยกลางหน้าอกแล้วทั้งๆที่ลูกไม่ได้จิตมันไม่ได้จงใจจะดูแต่มันชอบไปดูเองแล้วมันจะแน่นมากเลยเจ้าค่ะมันทําแน่นแล้ไม่เอาขนหรลูกมันลูกเข้าไปในห้องพระเพื่อที่จะไปกราบกาบพระทำไวพ้พระสวดมนต์พอลูกกรปุ๊บจิตมันก็รวมปั๊บเลยเพราะจิตมันรวมปับ๊บลูกก็เลยไม่ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิ จิตมันก็จะเข้าไปดูเข้าไปดูตรงหน้าอกไปดูลมหายใจลูกก็จะแน่นแน่นมากๆแล้วกูลูกก็ตั้งใจจะนั่งไปพอนั่งออกไปแล้วมันก็ทุกมันก็เห็นแตะก้อนทุกตรงกลางหน้าอกลูกก็เลยไม่นั่งอีกวันหนึงลูกไม่นั่งลูกก็ไปทาปกติเดินไปตามปกติแล้วก็ดูจิตไปเรื่อยๆแล้วลูกไปเห็นว่า สติอะเจ้าค่ะที่เรียกว่าสัมมาสติมันผุดขึ้นมาที่กลางน้อกมันเห็นจิตที่มันเหมือนกับดอกบัวมันบานขึ้นมาออ <c oughs> แล้วมันก็ทําให้จิตที่มีตั้งมั่นที่เรียกว่าลักขณูปนิชานมั้งเจ้าค่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีความสุขแล้วลูกก็รู้เลยว่าสติตัวนี้แหละคือสติตัวจริงอ <c oughs> แล้วก็ลูกก็รีบมาดูกายอค่ ะ, คะ <c oughs> แล้วมันก็มีความสุขเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ไม่ยุดแล้วนะเจ้าค่ะอ ลูกไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นเพราะมันเกิดมันดับเป็นเป็นเรื่องธรรมดาลูกไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นตรงกายหรอกแต่ยึดมั่นถือมั่น มีความสุขที่เกิดจากการไปรู้เนี่แหละเจ้าค่ะตอนนี้ลูกมีความสุขขึ้นอีกแล้วเจ้าค่ะแล้วความทุกข์ที่เคยมีเมื่อค่ะวเมื่อสองเดือนก่อนมันหายไปมันมันพ้นตรงนั้นมาได้เออคือมองปัญหาในสิ่งที่ว่าเขาเป็นแต่ไม่ได้ทําไม่ติดเราไม่จําเป็นต้องไปทุกข์กับมัน<อ>เหมือนที่หลวงพ่อเทศสอนอยู่บ่อยๆลูกชอบแต่ลูกก็ทําไม่ได้แต่ตอนนี้ลูกคิดว่าลูกทําได้เยอะดีขึ้นมากแล้วเจ้าค่ะเย่ยประม่านะวันนี้ทําได้วันหน้าจะกลับมาอีกก็ได้นะเจ้าค่ะ จะไม่ประมาทเจ้าค่ะนะไปภาวนาขอพระคุณให้รู้ทันตรงที่จิตมันติดความสุข จ, จากการที่ได้เข้าเคลียในธรรมะนะคือตัวนี้แหละเจ้าค่ะขอพระคุณมากเจ้า ค, ค่ากค ะ, ะกำนันวัฒการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูก็ฝึกสมาธิมาได้ประมาณ สอมปีตอนแรกไม่ทราบว่าตัวเองติดสมาธิอยู่ค่ะเพิ่งมาเจออาจารย์ค ง, งสากนะ ถ, ถเรื่องดีมากเลยคือนักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยทําสมาธิแล้วไม่รู้นึกว่าทำํำนิพพสนานะคหลวงพ่อประเทศเทศแล้วพอแยกได้การพอนําจะง่ายขึ้นแล้วละ่ะก็พอเริ่มทราบตอนแรกก็คิดว่าตัวเองปฏิบัติตถูกเจ้าคะ่ะก็มารู้ว่าตัวเองติดอยู่กับความว่างค่ะก็พยายามพอเกิดอะไรปุ๊บก็ตัดแล้วก็ กลายเป็นว่าเราไม่มีไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบแล้วก็ไม่มีความรู้สึกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ว่างอยู่นานเหมือนกันค่ะประมาณหลายๆ า, ายเดือนนะคะจนมารู้ก็คือรู้ว่าตัวเองกดไว้หลังจากที่ว่างแล้วก็เกิดอาการโต้ตอบแล้วมันรุนแรงมากกว่าปกติที่เราเคยเป็นนะคะหลังจากนั้นก็ก็รู้ว่ามันมันผิดทางก็คือพยายามจะกลับมา ปฏิบัติแต่ก็ยังทราบว่าตัวเองปฏิบัติน้อยอยู่ค่ะตอนนี้กลายเป็นว่ารู้สึกว่าตัวเองติดสุขค่ะมีความสุขไม่เป็นไรนะค่ะมีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขถ้าพอใจในความสุขเราไม่รู้ทันถึงจะติดสุขถ้ามีความสุครู้ว่ามีความสุขพอใจในความสุครู้ว่าพอใจไม่ติดอรอกค่ะแล้วหนูมีคําถามว่าคือ อย่างพวกอย่างหนูก็ยังอยู่ในวัยทํางานแล้วก็มันก็จะยังมีความอยากที่เราก็อยากที่จะเป็นนั่นอยากที่จะทํานี่ไม่ไม่ทราบว่ามันจะทํายังไงให้พอดีกับทางโลกนะคะคือทางโลกเราเป็นขลราวาสนะมีหน้าที่ทํามาหากินรวยได้ก็รวยแต่ไม่โกงใครจนะ <c oughs> ทําให้เต็มที่ค่ะ <c oughs> แล้วมีการบ้านไหมคะเวลา นะก็พยายามมีสติไปรูนะ <Okay. S 2> ้ทันจิตใจของเราไปเรื่อย ด, ดีแล้วล่ะที่ทำอยู่หนูปฏิบัติอยู่ใช่ไหมคะดีนะแต่จิตต้องถึงฐานจริงๆนะ <Okay. S 2> ถ้าจิตกระจายกว้างออกนอกเนี่ยไม่ถูก <Okay. S 2> นะแล้วหนูช่วงทำงานนี่เป็นไปได้ไหมคะที่ว่าปฏิบัติงานแบบไหนใช้ความคิดหรือใช้ร่างกายคือ <c oughs> เป็นใช้ความคิดด้วยแต่ว่ามันเป็นการทำงานกับคนซะส่วนใหญ่อะคะอ่ะเวลาเราเจอคนเราก็จะเจออารมณ์ต่างๆ่กถ้าอย่างนั้น<ม>พอนา ง, ง่ายที่สุดเลยรออู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยค่ะขอบคุณค่ะแต่ถ้าทำงานอย่างเขียนซอฟต์แวร์อะไรอย่างนี้ทำไม่ได้นะ กลับนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับตัวมีพระเดชปรคุณแล้วก็ปฏิบัติแนวทางหลวงพ่อมาได้ยกมาอย่างนี้เลยยประมาณสามปีได้แล้วครับก็ต้องยอมรับว่าการหลงนี่ลดน้อยลงจะมีความรู้สึกตัวถี่ขึ้นเรื่อยๆแต่มีปัญหาติดอยู่ตรงที่ว่าเวลาปฏิบัติตามแนวทางนั่งสมาธินี่นะครับมันจะมีช่วงแก๊บคือรอยต่อ ระหว่างที่ว่าจะจิตจะตั้งมั่นนมันจะวูบลงไปเลยไม่เป็นไร <c oughs> นวูบลงไปไปพักอยู่หรือมันวูบแล้วมันก็ตื่นขึ้นมาใหม่เหมือนจะหลับแต่มันไม่ใช่หลับอ๋อไม่เป็นไร <c oughs> จิตมันรวมให้มันรวมไปหน้าอย่ากฝืน <c oughs> ถ้าฝืนเนี่ยปวดหัวครับ <c oughs> แด้วรวมลงไปแล้วก็ขึ้นมาก็ดูต่อครับ <c oughs> จิตก็พักเป็นคราวๆไม่เป็นไรเพราะผมก็ติดอยู่นานแล้วเลยรู้สึก เลยเลิกปฏิบัติแล้วตอนนี้มาปฏิบัติแค่รู้ตัวอย่างเดียวไม่นั่งสมาธินั่งไปด้วยครับและจิตจะวูบก็ให้วูบไปแค่มีสติรู้วูบไปพอมันขึ้นมาก็มีสติต่อครับจิตจะได้แรงนะไม่งั้นจิตจะไม่มีแรงจิตวูบลงไปจิตไปนอนอืมจะได้แรงไม่ใช่ย่อย่อนนะครับไม่ใช่ย่อหย่อนแล้วหลวงพ่อจะมีอะไรทุกไหมครับก็นี่ไงไปทําสมาธิเพิ่มขึ้นครับครับุณต่อไป กราบน้ำรสการหลวงพ่อค่ะคือตัวเองก็ไม่ได้ทํากรรมฐานหรือวิปัสนาอะไรแต่ก็เห็นเอบางทีก็เห็นตัวเองโกรธตัวเห็นเศร้าใจหรือว่าเสียใจอะไรอะไรเนี่ย <c oughs> ะ น, นะคะค่ะก็บางทีก็รู้ตัวปัจจุบันหรือว่าเห็นตามหลังสว่วนมาก <c oughs> จะเห็นทีหลังทุกทีขห็น <c oughs> <c oughs> ทีหลังนั้นถูกแล้วแต่ทีนี้ตอนที่โกรธเนี่ยน ะ, ะมีสติไม่ได้โกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภเงีย้ยสิเงี้ถูก ค่ะแต่วันนี้อยากจะขอเมตตาท่านการุณาอธิบายคําว่าอ่าจาระหรือว่าต่างกระฐานเป็นยังไงเอเดี๋ยวถามหมอคงศักก็แล้วกันนะ <c oughs> คือไม่ไม่ไม่ไม่ทราบกฎแตกการจะได้ปฏิบั <c oughs> ติได้จะได้ทําให้ถูกต้องอออค่ะเอานะอันนี้เดี๋ยวถามหมอคงศักก็แล้วกันนะค่ะค่ะยากนิดตรงข้อตอบไม่ถูก พยายามีสตินะใจเคลื่อนไหวใจเปลี่ยนแปลงอะไรคอยรู้เรื่อยๆคอยรู้ทันเรื่อยๆค่ะพระคุณขอพระคุณค่ะนรัสุการหลวงพ่อครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาพบหลวงพ่อก่อนนี้ก็มีเพื่อนเคยให้เทปมาฟังก็ผมก็เคยได้ทำปฏิบัติกรรมฐานคือถ้ามาดูตอนนี้แล้วเนี่ยผมก็จะ ขอเริ่มแบบว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับข อ, ขอถามคาถามหลวงพ่อเป็นพื้นฐานเพราะว่าผมเคยกระทำกรรมฐานตอนสมไยบวชครั้งเดียวนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยถ้าผมนั่งดูลมหายใจโดยไรเนี่ยจิตใจมันจะวุบแบบไปแล้วก็จะไม่ไ ม, ไม่เราไม่สมามารถควบคุมได้เลยแต่ที่ผมทำได้แลวก็จิตใจสงบก็คือพกทองตอนนั้นผมก็สวด สวดพวกปัจเจเกสวดตามอิิโสอะไรไปนเนี้ยสวดจนรู้สึกสงบอืแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนจะอยู่ในป่าแล้วก็มีแสงสว่าง ม, มาจิตใจสงบมากแล้วก็รู้สึกมีมีเห็นนิมิตมีพระองค์หนึ่งลอยมาอืพอพระลอยมาข้างหน้าเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าพระองค์นี้คือใครเป็นเป็นใครเท่านั้นก็ หายแบบว่าจิตใจไปอยากรู้ความอยากมันเกิดขึ้นแล้วก็ติดตามไม่ทันมาตอนหลังมานั่งแต่ผมก็มาทํางานก็ไม่มีเวลาเจนนั่งมากถ้าไปนั่งในห้องพระนั่งที่ไหนเนี่ยถ้ามีเสียงอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยจะไปรู้สึกตึงเสียงนั้นแล้วก็มันเราไปพยายามไปแอนะไลสมันแล้วก็ติดตามไปเรื่อยเพราะมันไม่ไ ม, ไม่ไม่เกิดสมาธินไม่เกิดนะไม่เกิดทีนี้อยากจะขอคําแนะนําหลวงพ่อว่าจะทํำยังไง ให้มีพื้นฐานเพื่อจะเกิดสมาธิแล้วก็แต่ที่หลวงพ่ออธิบายให้ฟังเนี่ยผมเข้าใจแบบว่าเข้าใจตามลําดับได้นะแต่ว่าไม่สามารถจะเข้าไปขั้นต้นที่จะทําให้ไปถึงที่หลวงพ่อได้คือสมาธิเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะเราอย่าไปบังคับจิตให้สงบจิตมันเหมือนเด็กซนนี่เราบังคับมากมันยิ่งดือ้อเราก็ต้องหาขนมหาอะไรมาล่อเด็กนะเด็กไม่ไปซนที่อื่น เวลาที่เราทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องรู้จักเลือกเมื่อเอถ้าเราสวดมนต์แล้วเรามีความสุขเนี่ยเราก็สวดมนต์ไปอย่าหวังว่าจิตจะสงบพอสวดมนต์ไปแล้วถ้าจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาสายไปส่มาให้รู้ถ่านแค่รู้เฉยๆว่าเขาส่ายแล้วก็สวดของเราไปอีกแต่ถ้าเราทำกรรมฐานแล้วเราพยายามบังคับจิตให้สงบเนี่ยจะอึดอัดมากเลยจิตไม่สงบเคล็ดนละับมันอยู่ที่ว่าทาให้สบาย นะเช่นพุโทโธพุทโธอย่างสบายใจสวดมนต์อย่างสบายใจถ้าจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาก็แค่รู้ว่ามันฟุง้งนะถ้าเราทำไปได้ความสบายใจนะไม่นานจิตก็จะสงบนะเคล็ดลับอยู่ตรงที่สบายใจนี่แหละขอบคุณหลวงพ่นำนำาน้ามัสการค่ะหลวงพ่ อ, อการดูจิตของโยมเนี่ยเพ่งไปหรือเปล่าคะหรือว่าเกาะตัวผู้รู้มากเกินไปเพราะว่า เวลาดูจิตเนี่ยมันจะเกิดอาการแปลกๆหลายอย่างค่ะสมมติว่าดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะเกิดอาการแบบว่าคล้ายๆกับลมหายใจมันสั้นลงสั้นลงสั้นลงแล้วมันจะวูบเหมือนดับตรงนั้นตายตรงนั้นหาเป็นเพราะว่ามันพลิกไปเป็นสมถะจิตสิเนาะมัน<ะ>เป็นสมถะการดูจิตไม่ใช่เป็นวิปัสนาเสมอไปนะถ้าเราดูจิตแบบให้ให้คาดสายตานะจ้องเฝ้าอยู่เรื่อยๆเนี่ย จิตจะรวมแบบนั้นแ่ะมันเป็นสมถะลมกระตื้นจึงปล่อยมันใช่ไหมครับปล่อยมันไปเลยเปล่อยค่ะนะปล่อยอ ไ, ไม่ตายดอกคจิตมันรวมรวมตื้นขึ้นตื้นขึ้นไม่ตายนะให้มันเป็นไปคือให้ตามรู้ไปเลยใช่ไหมก็รู้ไปว่าเนี่ยลมมันตื้นขึ้นมาแล้วนะใจไม่เกิดกังวลให้รู้ว่าใจกังวลรู้ไปสบายใจ <Yeah. S 2> แล้วเมื่อวานนี้หลวงพ่อเมตตาให้ไปดูตอนที่เกิดโทสะเกิดทุกขเวทนาหลวงพ่อให้ไปดูการเจริญเมตตาอย่างไรคะไม่เข้าใจคะ่ะก็อยยบเป็นโมโ oh หตัวเอง หมายถึงว่าแผ่เมตตาให้ตัวเองเหรอคะแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยแผ่เมตตาให้คนอื่นด้วยคือให้ท่องบทสวดมนต์เหรอคะท่องในใจไปก็ได้นะสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสุขเป็นสุขเทอหรืออย่างเงี้ยมีเวรซึ่งกันและกันเลยสัตว์ทั้งหลายจะมีส่วนได้เสวยผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทับแล้วนั้นเธอหรืออย่างเงี้ยมีอีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่โยมขับรถไปคือดูจิตไปเรื่อยด้วยความสบายใจแล้วเกิดว่ามันพลิกไปเห็น อะไรไม่ทราบพ่ะที่มันเหมือนเป็นโลกอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะคะคือไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือ ว, ว่าเป็นคนเป็นต้นไม้เป็นถนนเป็นรถมันมันกลับพลิกไปที่มันไม่มีชื่อค่ะ ม, มันปลอมไปหมดเลยค่ะเออปลอมทั้นนั่นแหละเห็นแล้วมันสะเทือนค่ะคือตรงนั้นสัญญามันไม่ไปหมายนะว่านี่คนนี้สัตว์ที่ต้นไม้ชื่อนี้ชื่อนี้นะ มันแค่รู้แค่เห็นพอเราไปเจอสภาวะแค่รู้แค่เห็นนะจะเตือนแล้วหรือจะเตือเร็วนี่บางทีเรานึกไปถึงอดีตนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคนฝันฝันไปทานั้นชาฝันมันเป็นภาพดวงตาไปหมดเลยมันน่ากลัวแหละแล้วทำทีดีแล้วปัจจุบันมันก็มีแค่เพียงที่อมีแต่ความอยากความไม่ชอบใจและความเฉยเฉยเท่านั้นเลยค่ะใช่ไหมคะ ใช่แล้วอนาคตมันก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะค่ะออนาคตยังไม่มีใช่ไหมฮะ <c oughs> อันนี้โยมไม่ได้เพี้ยนไปใช่ไหมฮะไม่เพี้ยนอะ <c oughs> ตีแปลกใจตัวเองหลวงพ่อคะสมมติว่าตอนตายเนี่ยเกิดโทสะเจริญมากๆทําให้เราตกนรกเนี่ยค่ะช่วงวระจิตสุดท้ายที่ดับไปเนี่ยสมมติว่าตกไปแล้วเนี่ยถ้าเราเคยเจริญสติอยู่เป็นประจําเนี่ยเราสามารถระลึกได้ทําเจริญสติได้ไหมคะ ไ ด, ด้หลุดออมาแล้วค่ะคือบางทีนะตกนรกไปปุ๊บสัมผัสนะสงสัเห็นไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยใจกลัวย้อนมาดูว่ากลัวนั้นหลุดออกจากนรกเลยคือโยมเคยฝันแล้วก็ไปเจอสิ่งที่น่ากลัวใช่ไหมฮะมันก็มันเกิดเจริญสติภายในความฝันน ะ, ะต้องอย่างนั้นสิ อย่างเนี้ยไม่ตกนรกละจะให้บางทีมันก็ภาวนาพุโทโธบางทีมันก็ภาวนาว่ากลัวหนอกลัวหนอเอาอะไรดีคะหลวงพ่อะจะเอาจะภาวนาพุโทโธหรือว่าจะไปตามรู้พวามว่ากลัวกลัวตามความเป็นจริงทํตรงไหภาวนาภาวนาพุโทโธนะหรือกลัวหนอกลัวหนอแล้วเท่าเทียมกันเป็นแค่คําบริกรรมแต่ถ้ารู้ทันว่าจิตกำลังกลัวเดินสัญญาอยู่ รู้รู้ทันเม่ากำลังกลัวฮะไม่ว่าจะพุทโธเป็นสมถะหรือว่ารู้ทันจิตเห็นความกลัวนะเห็นเดินวิปัสสนาก็หลุดจากนรกเท่าๆกันแหละเท่ากันฮะหลุนได้ด้วยกันแหละหลวงพ่อค้าขอเขากุญแจดอกสุดท้ายให้ด้วยค่ะในความจํมใจหรือว่าจะดอกสุดท้ายกุญแจสําคัญเลยค่ะที่จะปฏแบบติต่อไปคงจะไม่เจอหลวงพ่ออีกนานค่ะก็ภาวนานแหละทําไปเรื่อยนะ สำรวจใจเราเป็นระยะระยะไปกุศลอะไรอกกุศลอะไรยังไม่ละกุศลอะไรยังไม่เจริญใช่สำรวจไปเรื่อยค่ะหลวงพ่อสุดทายนี่ขอกรรมฐ า, านให้แฟนได้ค่ะโพสะขับมาตั้งสิบ้าชั่วโมงค่ะอันไหนที่หมอะสำหรับเขาคะให้หลวงพ่อดูหน้าข้างนเดีย๋ยว น, นี้หลวงพ่อเห็นแต่มือถือพูดไทยได้ไหมกล่าวธรรมส ก, การหลวงพ่อครับเง้อพูดไทยชัดครับพูด เราก็ชัดครับผมครับหลวงพ่อผมปฏิบัติผมนั่งเนี่ยส่วนมากผมจะหลับไวมากอืไม่ทราบถ้าถ้าไม่หลับเนี่ยก็จะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ถ้าไม่คิดเป็นหลับนี่ไม่ทราบว่ากรรมฐานที่เหมาะกับผมนี่ไม่รู้เคลื่อนไหวไหมนะเคลื่อนไหวไหมกระดุกกระดิกไปต้องเดินเหครับถ้าเดินก็ได้แม้แม้แต่เดินเนี่ย มันยังเซ่เลยครับขอโทษครับมันทํางานหนักไปหรือเปล่ามันถ้ามันเหนื่อยมันง่วง ร, ร่างกายไม่ไหวอ่ะก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้านัถ้าเดินเมื่อยมากนะไม่ไหวก็นั่งสมัยก่อนหลวงพ่อก็นั่งนะมีพัดทจวนนะนั่งพัดไปเรื่อยพัดแล้วรู้สึกตัวอากาศร้อนเราพัดแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะ อากาศหนาวเราก็อย่าพัดใส่ตัวเราพัดออกไปข้างนอกอันนี้แล้วก็แค่เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูพยายามเคลื่อนไหวไว้ถ้าไม่งั้นมันจะหลับครับผมกราบนมวงพ่อขอบขอบว่าคุณมากครับผมครับผมขับรถมาไกลามากเลยนะสิบห้าชั่วโมงเนี่ยอ่าคนนั้นเบอร์สิบสามเชิญกราบหลวงสมการหลวงพ่อครับผมจะถามว่ายังผมนี่ควรที่จะแก้จะปรับยังไงครับอะไรนะ คนที่จะแก้จะปรับอย่างไรครับแก้อะไรเอ่อหมายถึงวนที่จะปรับยังไงครับอ๋อมีอะไรต้องปรับล่ะตัวผมเนี่ยครับเอมีอะไรบ้างอ่ะบอกมาก่อนอ๋อ <laughs> ก็ไม่รู้ว่าจะต้องปรับอะไรครับหลวงพ่อช่วยคำแนะนำหน่อยครับ <laughs> สติเกิดบ่อยไหมล่ะสติอะไรนะครับเวลากิเลสเกิดอะไรเงี้ยรู้ไหมรู้ครับรู้เร็วไหมก็เร็วครับ ความรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งอะไรเงี้ยมีไหมก็พอมีครับให้คอยรู้ทันนาะครับเวลาเราเราจริงจังกับความคิดความเห็นของเราเนี้ยนะเราจะพิยุดในความคิดความเห็นแล้วความทุกข์มันจะเกิดขึ้นครับ <c oughs> <c oughs> คอยรู้ทันความทุกข์ที่เกิดที่จิตบ่อยๆครับ <c oughs> เวลาเราจริงจังกับโลกนะเราก็ทุกข์เยอะอ่างเงี้ยคอยรู้ไปใจจะค่อยคลายออกคลายออกจะมีความสงบสุขขึ้นมาครับ <c oughs> มีคำแนะนาอีกไหมครับเอาข้อนี้ก็ยากแล้วหน้าเอาทีละข้อเนาะได้ครับขอบคุณมากครับกาบนมัส ก, การหลวงพ่อค่ะยกไม้แบบนี้เลยตั้งตั้งอพอดีหนูเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้ประมาณสองถึงสามเดือนนะคะพอดีได้กัลยาณามิตรช่วยแนะนำให้ฟงังซีดีกัลยาณมิตรนี่เขาดีจริงๆนะหลวงพ่อไปที่ไหนก็มีกัลยาณมิตรแนะนาทีนี้ หนูก็เพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะก็พยายามดูว่าตัวเองรู้สึกอะไรก็รู้ตามแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าก็นั่งสมาธิบ้างแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองทำมาถูกทางหรือยังอะคะ่ะอยากจะขอหลวงพ่อช่วยดูวิหารธรรมที่ต้องเหนืเห็นกิเลสบ่อยไหมก็ก็เห็นค่ะเวลาเราภาวนานะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอก กิเลสอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ทันนะแต่อย่าไปเกลียดมันนะอย่าไปต่อต้านมันแค่รู้เฉยๆเมื่อเรารู้ทันกิเลสในหะ้กิเลสก็จะหายไปหรือมีความสุขเกิดขึ้นให้รู้ทันนะมีความทุกข์เกิดขึ้นให้รู้ทันคอยรู้ทันความรู้สึกในใจเราบ่อยๆนะเจอจิตใจมันจะพัฒนาไปเองแหละชอบคิดนะ <c oughs> แล้วคนช่างคิดเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะคนช่างคิดก็คือการคอยรู้ทันจิตของเราเอง เขาคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์คิดเรื่องนี้อาฆาตอย่างเงี้ยนะคิดเรื่องนี้แค้นอาฆาตเป็นไหมเป็นค่ะเออเป็นนะให้รู้ทันเวลาใจอาฆาตให้รู้ทันนะใจมันหมายมั่นปั้นมือนิดจะจับหักคอให้ได้อนะไรเงี้ยให้รู้ทันนะเมื่อหนูรู้อย่างเนี้ยหนูหนูหนจเจริเร็วมากเลย <c oughs> คนที่มีโทสะเยอะเนี่ยภาวนา ง, ง่าย ก็ อ, อะไรพระโทสะมันเกิดขึ้นกล่าวใดเนี่ยจิตใจไม่มีความสุขมันเป็นกิเลส ท, ที่ล้างง่ายที่สุดเลยดังคนไหนมีโทสะจริตเนี่ยเป็นบุญนะภาวนาง่ายแล้วพวกที่โทสะกล้าเนี่ยมักจะปัญญาแก่กล้าด้วยจะล้างอะไรได้รวดเร็วเพราะว่าโทสะนี่มันเข้าไปทาลายล้างอย่างรวดเร็วเลยอาการมันลักษณะเดียวกับตัวปัญญา พันยามีลักษณะทำลายล้างอย่างรวด เ, เร็วเลยปล่อยก็ปล่อยตัดใจก็ตัดใจเลยเข้มแข็งนะดีแล้วล่ะขอบคุณหลวงพ่อค่ะเป็นบุญนะมีกิเลสแบบนี้ <c oughs> ใครจิตออกนอกบ้างผู้หลายปากแข็งเยอะกรรมการท่านอาจารย์ หลวงพ่อหล่อสามน้นนยัอายุได้เจสิแล้วนะคะแล้วกเ็เรียนมาทางวิปัสสนากรรมฐ า, านยุบหนอพองหนอเตือนเมื่ อ, อ, อชั้นปหกนะคะ <c oughs> แล้วก็ซึ่งแล้วก็เห็นผลทันทีว่า เ, เรียนหนังสือจาก5้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ แล้วก็ขึ้นมา top of the class ไม่แสกน ะ, ะแล้ ว, ลวพนานาแล้วสมาธิดีแล้วก็ happy มาตลอดอชีวิตที่เรียนหนังสือ อ, อยู่จนกระทั่งทำงานทำการแล้วก็ประสบผลสำเร็จพอสมควรแต่ทีนี้พอมาเริ่มเข้าอายุประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดขึ้นไปเนี่ยนะค ะ, อะไอ้เรื่อง เราก็พบไอ้ผัสสะอะไรร้อยแปดที่ชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็เกิดซีเรียสขึ้นมาเรื่อยๆเรืยๆเรืย ๆ, ๆ, ๆ, ๆแล้วก็เป็นคนวิตกจริต mm hmm. จนแล้วก็ไม่หลับไม่ได้อะฮะหลับหลับน้อยอ่ะฮะแล้วก็จนกระทั่งทานยานอนหลับแล้วก็อักเต์แล้วก็จนคิดว่าอันนี้เป็นชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นมานี่เมื่อสิบสามปีก่อนก็เลย เอจะทำยังไงดีมันก็มากขึ้นไปแล้วแล้วก็เวลาที่เหลืออยู่ก็เป็นโบนัสก็เลยเอเ อ, เอได้เรียนกับผู้เอ่อที่อโศกนะคะบอกว่าทำงานนี่ละ่ะอดีที่สุดมาว่าทำงานทุกอย่างไม่ใช่ทำงานเพื่อหากินนะคะลาบแรกลาบ เออต้องทำงานโอสารพัอาสาสมัครทำอะไระเนื่องจากเราอยู่ที่อ s a นี่นะคะเราก็เนี่ยฮะทำชดสอบรูสอดเห็นไปช่วยทำงานทุกอย่างเอ๊ะมันก็ยิ่งมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ <laughs> ก็เลยยิ่งยิ่ง วิตกวิตกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนขณะนี้เจ็ดสิบขวบแล้วนะฮะยังหาทางแก้ไขรักษาตัวเองอยังไม่ได้ทั้งทั้งที่ไปช่วยรักษาคนอื่นไปช่วยโนซี่กับคนอื่นไปช่วยเออเขามีทุกข์อ้าวจะไปละเบียววิ่งเข้าไป น, ะนี่เนี่ยจิตมันกำลัง lost ทีนี้ขอทาอาจารย์แนะนำว่านี่มันเราก็เมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบนะคะขอวิหารธรรมที่จะทำให้ดิฉันเนี่ยคลายจากโลกวิตกจริตก็หายใจไปนะหายใจก็เป็นนะคะแล้วก็อาจารา์บาลานดีพยายามทํอย่าทำอย่าทำแบบบังคับจิตให้สงบสิ หายใจเล่นๆดูใจเล่นๆไปนะทําใจสบายหายใจเล่นๆไปรู้สึกตัวสบายๆไม่ได้หวังควรอะไรพอใจเราสบายใจเราเคล้าเคลียอยู่กับลมใจก็สงบเข้ามาแล้วก็ค่อยดูไปใจตอนนี้สงบแตเดี๋ยวก็ไม่สงบะเดี๋ยววิ่งไปอดีตวิ่งไปอนาคตอะไรเงี้ยคอยรู้ทันใจเรื่อยๆไม่บังคับใจแต่ค่อยรู้ทันใจไป แล้วยังรู้เนี่ยอยากาบถึง4ชั่วโมงเนี่ยนะฮะจะรู้เมืดาเช้ากลางวันเย็นให้ดูหรือว่าดูเรื่อยรู้สึกขึ้นมาว่าเอารู้สทีนึงหรืย่างถ้ารู้สึกก็รู้สึกแปกนะรู้สึกเมื่อไหร่ก็รู้เอาเจอแล้วก็แล้วไปอย่าให้เครียดไม่ใช่ว่าต้องรู้24ชั่วโมงนะรู้เท่าที่รู้ได้ค่อยๆฝึกให้สบายใจเน้นที่สบายใจแล้วสมาธิจะเกิด หายใจไปอย่างมีความสุขดูใจของที่ช้านี่หายใจอย่างหลงพ่อมีความสุขบายเดอไม่ไม่ไม่กำหนดเวลาไม่กำหนดฮะไม่ดูเป็นไหมชาวชิคาโกอย่างตอนกลางคืนทำดีไหมคะเพราะว่าอันนั้นอ่ะเป็นดีถ้านอนไม่หลับนะนอนหายใจดีมาก พยายามหายใจไว้ได้อย่าหยุดอ๋อแค่นั้นเละค่ะโอ้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันไปหายใจไปกับนวมสกันพ่อแม่คุณจันหลวงพ่อประโมทครับคือผมพยายามค้นหาว่าจิต ที่ตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นลักษณะเช่นไรครับอรู้จักจิตที่ไหลไปไหมทราบครับเ อ, อตรงที่รู้ว่าจิตไหลจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะนมะัชั่วขณะจริงๆครับ อ, อชั่วขณะแนละ้วเดี๋ยวไปพยายามให้ตั้งตลอดนะเราไปอย่าพยายามดูว่าจิตตั้งมั่นเป็นยังไงเพราะตรงที่เราพยายามจะดูว่าจิตตั้งมั่นเป็นไงขณะนั้นจิตไม่ตั้งมั่นแล้วเราจะไปดูของปลอมก็ครับครับผมเวลาการภาวนาเนี่ยให้รู้สิ่งที่ผิดนะแล้วมันจะถูกเอง ถ้าพยายามทําสิ่งที่ถูกเนี่ยมันจะผิดตลอดเลยในขณะนี้จิตไหลไปคิดไหมคิดครับผมนะก็แค่รู้ว่าจิตไหลไปคิดไม่ต้องสนใจตรงจิตตั้งมั่นนะเขาจะเป็นเองถ้ารู้ว่าจิตไหลไปคิดเดี๋ยวเขาก็ตั้งขึ้นเองใหญ่อตอนนี้ยตั้งแรงไปไหมมากเลยครับอึดอัดไหมพยายามผ่อนคลายอยู่ครับเออนะอึดอัดนั่นแหละบอกพยายามผ่อนคลาย <laughs> ทีนี้ มันง่ายกว่าที่นึกนะครับผมแต่ว่ามันมันยากที่จะทําเลยนะครับทําไม่ได้อเคครับผมถูกแล้วที่ยากที่จะทำเพราะทำไม่ได้ครับผมถ้ามันทําได้ตามใจชอบนะมันก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาครับผมทําไม่ได้หรอกแค่รู้สิ่งที่ผิดนะแล้วเขาจะถูกของเขาเองครับผมในขณะที่กลัวในขณะที่จิตที่กลัวอยู่จะมีจิตตัวหนึ่งมันมาผลักจิตที่กล้ามาผลักออกไปแล้วให้ไปทําแล้วให้ไปทําบางทีก็บอกตัวเองว่าผมกลัวนะ ผมกลัวนะเขาก็ยังผลักให้ออกไปทําออกไปทําแต่สิ่งที่ทํานั้นก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดนั่นแหละครับอถ้าทําดีไม่เป็นไรนะครับผมอีกหนึ่งคำถามครับทุกเช้าผมไปทํางาน ต, ง ต, ตั้งแต่ตั้งแต่ตีสี่บางครั้งบางครั้งก็ตีสามครึ่งผมอภิษฎนาศินแปดทุกเช้าออืทีนี้พอขึ้นรถขับไประหว่างที่ขับไปถึงที่ทํางานใช้เวลาประมาณแปดถึงเก้านาทีผมรู้สึกตวัวทีหนึ่งถึงที่ทํางานแล้ว ไม่เนี่ในขนาดนั้นไม่ทราบว่ามันเกิดสภาวะอะไรเกิดขึ้นทําไมถึงหายไปอย่างนั้นได้ครับยัย ห, หายหน้าเวลาขับรถอะ <laughs> <laughs> หายตอนอื่นยังก็ยัชั่วครับ <laughs> ทีนี้ในช่วง ช, ชาวเมืองเล็กๆอย่างนั้นมันจะไม่มีรถเลยครับมัน <laughs> มันจะขับไปแบบ อ้าวลุกติดตัวจริงถึงแล้วไม่ดีนะไม่ดีใช่ไหมครับครับผมพยายามรู้สึกตัวไวครับผมคือ อ, อย่าไปนั่งเพ่งนั่งจ้องอะไรมันนะนะครับผมพยายามกระตุ้นความรู้สึกที่ร่างกายแล้วตื่นเช้ามากอะ่ะมันยังอยากหลับต่อครับผมเหรือมันหลับในไป <laughs> นั่งไปขยับไปร่างกายหายแต่ว่านิ้วยังกระดิกอยู่อ๋อถ้าจงใจอ ย, อย่างนั้นก็คือจิตมันไปรวมแล้วล่ะ อ๋อครับนะเป็นสมถานะไม่เอาเลยเลิกเลยอันตรายมากเลยอ๋อครับเราทำผิดที่นละททำสมถานั้นอยู่บ้านเราค่อยๆทำไปตอนขับรถเนี่ยทำไม่ได้ตอนนั่งรถทำได้นะคนอื่นขับแต่ว่าถ้าเราขับเองอย่าไ้ทำสมถานไงกระดิกกระดิกแล้วจิตไปจ่ออยู่ที่การกระดิกเนี่ยทั้งหมดนี่หายไปหมดเลยเหลือแต่นิ้วครับผมโดยทีหนึ่งถ้าไม่ที่ทำงานก็ยมมรร ครับผมกล่าวนาัส ก, การครับน่าหมดแล้วล่ะขอกราบขอพระคุณหลวงพ่อปามวดเป็นอย่างยิ่งรู้สึกปัญหาที่นี่จะมีปัญหาเรื่องจะต่างจากเมืองไทยบ้างนะฮะมีเวลาว่างมากไปหรือเปล่าไม่ทราบที่หลวงพ่อบอกแบบว่าพวกเราเที น, นี้นะมีจุดอ่อนอยู่างี้ ฉลาดเกินภาวนานะภาวนาโง่ๆดีก็ยังหลงอยู่นู่อีกคนนึงเด็ดโง่กลับมามัตรการหรวงพ่อที่เคารพอีกฉันอยากจะขอถามปัญหาค่ะของคนนอกศาสนาคือเป็นพวกฝรั่งแต่เขาเป็นคนทั้งครอบครอบครัวผัวเมียไม่ไม่นับถือศาสนา เป็นรีไมล์ถ้าเขาตายไปแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนอโตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนหลวกพ่อยังไม่รู้เลยดิฉันก็เฝ้าสงสัยเนี่ยแล้วดิฉันก็มาสังฆทานทีไรก็เรียกชื่อนามสกุลเขาผัวเมียครอบครัวนั้นทุกครั้งที่มาที่นี่เขาจะได้รับหรือเปล่าเขาตายไปแล้วหรือ ยัจะได้รับผลบุญที่เราเม่ตนตอนนี้เขาตายไปหรือยังบะตายไปทั้งผัวเมียแล้วค่ะอ๋อคือได้รับหรือเปล่าเนี่ยไม่เราไม่มีใครรู้น ะ, ะแต่สำคัญก็คือเราได้แผ่ส่วนบุญให้เป็นบุญของเราเรียบร้อยแล้วส่วนเขาจะได้รับหรือเปล่ามอยู่ที่ว่าเขาไปเกิดในภพภูมิใดนั่นแหละดิฉันก็สงสัยว่าไปไ ป, ไปอยู่ที่ไหนอะไรเนี่ยแต่ลูกชายเขาเป็นคริสเตียน ลูกชายตอนหลังเข้ามาเป็นที่เซียนลูกชายเขาก็คือลูกเขยดิฉันนี่แหละค่ะก็สงสเขาไปเถอะคิดเป็นห่วงคิดเป็นห่วงพิญญาพ่อแม่เราแค่ทำบุญอุทิศให้ไปนะตามหน้าที่ส่วนเขาจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่เวทที่กับของเขาเคยมาถามหลวงพ่อว่าเขาไปอยู่ไหนโถตอนเขาเป็นเป็นหลวงพ่อยังไม่รู้เลยดิฉันก็สงสัยนะแล้วลูกเขาไปโบสถ์ทุกอาทิตย์เนี่ยคงจะ เป็นบุญกุศลให้พ่อแม่ได้นะฮะได้ถ้าถ้าเขาอุทิศให้ถ้ า, าไปบวแล้วสบายใจส่วนตัวไม่ได้อุทิศให้ก็ไม่ได้แต่ฝรั่งตายไปแล้วมันไม่ทำบุญหาพ่อแม่เลยแล้วพ่อแม่ก็คงจะเป็นเปรตหรือว่าอะไรไม่มีอาหารกินยมอย่าไปพูดให้ฝรั่งฟังนะดิฉันไม่กล้าพูดกับลูกเยขยหรอกฮะเพราะว่า แต่สนาเนี่ยแต่ลูกเขยเขาก็เป็นสุขเข้าใจดีไปวัดไทยอืมเข้าใจดีไปวัดตาดีดีทีนิดโนทนาด้วยมีลูกเขยดีเออจะเป็นีเมใด น่านะดีน่าเชิญคุณหมอครับขอบคุณหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งครพวกเราด้วยกันสาธุสาธุก็พวกเราต้องสาธุให้หมอคงศักด้วยนะ พ่อรับตรงนั้นหรือมีคนถอกไหมยิงเขาจะจะไว้กันเต้นหลวงพ่อเพราะว่าเทีวันเนียนงูไปโอ้หลอกพ่อรับไม่ได้ดอก มันมีสตังเอาดอกไม้มาดอกหนึ่งกันดอกไม้ไปดอกหนึ่งกันนะปัดใจก็ฝากแม่ชีฝากโยมไว้ได้ได้มีเวลาโดียเสร็จแล้ว เสรแล้วมีถ่ายรูปเป็นกลุ่มๆนะฮะหมวดนี้มันรับนลำหนับได้ไหมคุณหม อ, อข้างล่างก็ได้ข้างล่างแนหะล่ ะ, ละยังมีแถ ม, ม, แ ม, มอีกหนึ่งลงไปตรงนี้นะโมทนานะโอ้สวยในดุสิตาน้องเตระโดมนักติมันทำอยู่ใครร้อยล่า โลงตาจําได้หมดเลยเนาะมีที่ไหน <laughs> มีมีคนขอให้สรุป <laughs> อะไรนะคุณหมอสรุปขั้นตอนทั้งหมดเลยนะขั้นแรกเลยถือศีลห้าไว้ถ้าทําได้นะทาให้มากที่สุดถัดจากนั้นฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าใจลอยพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายทางานดูใจทางาน อย่างที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงแล้าดูอย่างนี้ได้ๆอ้ามีหลงอยู่กา <c oughs> ปิดไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยถามนอกรอบก็แล้วกันอ่ะต <c oughs> ่อไปจะถ่ายรูปเชิญ